รายการที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นเสียงธรรมะจากคณาจารย์มุนิที่แนบมหานีรานนท์ถนนพุทธมณฑลสายห้าขอเชิญท่านได้รับฟังได้ในลำดับต่อจากนี้ไป ประสบความสำเรเราก็จะทำความเข้าใจกันเดียวกับการเจริญวิปัสนากรรมานดโดยตรงเพื่อนำความรู้ความเข้าใจนี้ไปใช้ในการปฏิบัติแต่ก่อนที่จะดำเนินการในหลักการของการเจริญวิปัสนากรรมฐานนี้เราก็มีทราบว่า พระพุทธศาสนานี่นะเป็นคําสอนของพระสัมมาสามาัมพุทธเจ้าเป็นคําสอนที่บริสุทธิ์เป็นคําสอนที่บริสุทธิ์เราพุทธองค์ประกาศคําสอนนี้นะไม่ใช่เพื่อลาบเพื่อยศเพื่อสันเสริลเพื่อหาความสุขแต่ประกันไปแต่ถ้านําเอาสัจ ธ, ธรรมที่เป็นความจริง เอามาสอนให้เราได้รู้ได้เข้าใจว่าธรรมะที่เป็นความจริงนั่นคืออย่างไรธรรมที่เป็นความจริงนั้นบอกว่าไม่วิปริตผันแปรโดยสภาวะลักษณะของเขาคุณสมบัติประจำตัวของสภาพธรรมนั้นเป็นอย่างไรเ้าก็มั่นคงยั่งยืนอยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเป็นจนว่า จ, จิตธรรมชาติรู้อารมณ์ โดยจิตนั้นไม่ว่าจะเกิดกับใครที่ไหนจะเกิดกับหมูหมาปาใครชาวสายเย็นข่ําอะไร่จิตนั้นเป็นธรรมชาติรู้อารมณ์ทั้งสิ้นเป็นธรรมชาติรู้อารมณ์แม้ความโลภความโกรธจะเกิดขึ้นกับจิตใจของใครก็ตามกความโลภนั้นเป็นธรรมชาติที่เป็นความยินดีจิตใจในอารมณ์ความโกรธก็ธรรมชาติที่ไม่พอใจไม่ชอบใจในอารมณ์ เกิดขึ้นกับจิตใจของสัตว์ของบุคคลใดๆก็าตามเก็จะแสดงลักษณะอย่างนี้เหมือนกันหมด ไ, ไม่มีวิปริพันธ์ใดแตเป็นอย่างเดียจิตก็ดีเจตสิกก็ดีนี่ทั้งรวมเรียกว่านามธรรมานามธรรมาเป็นส่วนประกอบของชีวิตเราอันนึ้งชีวิตสัตว์ทั้งหลายเนี่ยประกอบด้วยนาม คือจิตและเจตสิกนัตัวธรรมชาติรู้อารมณ์และแม้ในรูปธรรมเนี่ยผาดดินรงลักษณะแข็งสัมผัสผูกต้องใายประสาทก็รู้สึกแข็งอ่อนผาดน้ำก็ไหลกาะกลุมซึมซาบไปตามสายของเาผัดไฟก็ร้อนหรือยเย็นผาดลมก็เกึงหรืงเหล่อนไหว ประสาทตาก็เป็นความใสที่สามารถรับรู้อารมณ์ได้จะเป็นตาหมูหมาตาไก่อะไรก็ตามเถ้ามีจักรุประสาทแล้วละก็เขามีคุณสมบัติในการรับรู้รูปารมณ์รับรู้คลื่นแสงนสีต่างๆประสาทหูก็รับเสียงต่างๆได้ทีธรรมชาติที่เป็นความจริงเขาไม่มีผลิตภัณแปลไปเป็นอย่างนี้บรรดารูปธรรมมากมายสายคองหลายอย่างหลายชนิด ถึงในปรมาธรรมท่านแสดงถึงยี่สิบแปดประเภทส่วนในานามธรรมนั้นมีจิตธรรมชาติรู้อารมณ์แตกแยงออกไปถึงแปดสิบ้าหรือร้อยี่สิบเอ็ดประเภทแต่โดยลักษณะของเขาก็มีอย่างเดียวคือรู้อารมณ์ส่วนการแจะเห็นรูปได้ยินเสียงน่นก็นแตกต่างกันด้วย อ, อารมณ์แต่จนจิตไม่เป็นตัวรู้ตัวรู้เห็นรู้ได้ยิน รู้ผิวรู้รสรู้สุขสั่งสัมผัสรู้คิดนี่ไอธรรมชาติรู้นั่นเป็นอาการของจิตแตอารมณ์ต่างๆทั้งหลายนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอารมณ์นี้ก็มีรูปบ้างมีเสียงบ้างมีกลิ่นบ้างมีรสบ้างมีผุษพารมณ์คือแข็งอ่อนเย็นร้อนเขึ้นไปและแม้แต่เรื่องราวต่างๆทั้งหลายที่เราคิดนึกทใจโดยสรุปแล้วล่ะก็ความจริงในโลกนี้มีสองสิ่ง มีรูปธรรมกับนามธรรมขณะนี้ถ้าเรารู้ความจริงของธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวเราเไม่มีสิ่งอื่นนอกจากรูปกับนามรูปกายเราทั้งหมดนี่เป็นรูปธรรมชาติจิตใจตัวที่รู้อารมณ์กับเพียรสิก่ปะกอบนี้เป็นนามมีรูปกับนามสองที่เป็นความจริง ถ้าปัญญาเราสามารถเข้าไปถึงความจริงของธรรมชาติอย่างนี้แล้วก็กิเลสเกิดไม่ได้ปัญญาเข้าไปรู้ความจริงคือรูปคือนามสองอย่างนี้กิเลสเกิดไม่ได้แต่ถ้าเรารู้ผิดเพี้ยนไปจงกความเป็นจริงเราไม่รู้โดยความเป็นรูปเป็นนามไปรู้โดยความเป็นคนเป็นจัตเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นวัตถุสิ่งของเื่นใม้ไม้สอยหรือเป็นข้าวปลาอาหาร ไม่ได้รู้จอดจงลงไปว่าเป็นรูปอะไรเป็นนามะรรแต่ที่จริงในสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นน่ะก็มีฐานรองรับของรูปโดยส่วนใหญ่ในข้าวปลาอาหารในขนมนมเนยเก็รูปประทเป็นส่วนใหญ่้นามธรรมานี้คือเป็นตัวรู้โดยจัดแจงในการรับประทานให้มีการรู้รสสัมผัสถูกต้องได้นี่เป็นนามธรรมา ทั้งหมดในโลกนี้มีแต่รูปกับนามเท่านั้นหละโดยยอดที่สุดนั้แต่ท่านขยายออกไปไว่ารูปน้มที่มีอยู่ในกา ย, า ย, ายาของเราเนี่ยใายมนต์ของเรานี่ถัาขยายออกไปโดยความเป็นขันเป็นรูปขันเป็นนามขันแล้วมีห้าอย่างเรียกว่าขันห้ารูปขันก็คือรูปกายเราทั้งหมด ที่เราใช้เป็นไปในอาการเดินยืนนั่งนอนเนี่ยเป็นรูปประคัส่วนจิตใจนั้นมีทั้งวิญญาณอคติตัวรู้เห็นได้ยินได้สิน่นรู้รสถูกต้องสัมผัสเนี่ยเป็นวิญญาณอคติเป็นนามนามอคติการเสวยอารมารณ์การเสพอารมณ์ด้วยความรู้สึกสุขบ้างทุกข์บ้างเฉยบ้า ง, า ง, า ง, างนี่เป็นเวทนาอคติเป็นเวทนาอคติ ส่วนความจำได้หมายรู้นี่เป็นสัญญาขันและเจตสิกธรรมที่เหลืออีกห้าสิบประเภทนี่เป็นอกุศลเจตสิกก็มีเป็นโสดภณะเจตสิกก็มีแต่เป็นอัญญะธรรมนาเจตสิ ก, สกอื่นๆที่นอกจากเวทนาและสัญญานั้นท่านจับไว้เป็นสังขารขันนี่แหละโจบทบาดะสาคัญ ข, ของเจตสิกก็อยู่ในกลุ่มของสังขารขร เราจะทําบาปทําบุญเป็นเหตุให้ไปนรกขึ้นสวรรค์ไปนิพพานก็สังขารหลักฐานที่หล่อเป็นเภสสิทธิที่เป็นตัวกางสําคัญที่จะกรุงแต่งจงิต ใ, ใ, ใจของเราให้สะ อ, อาดให้ใสสะอาดหรือประกอบกับจิตใจของเราให้เศร้าหมองสุขกุขะถ้าอกุศลเภสิชประกอบกับจิตใจของ เพราะฉะนั้นพระพุทธองค์นี่จึงฝากฝังแวงพุทธบริษัทเนี่ยจะต้องรักษาจิตให้ปลอดจากกิเลสให้หมดจดจากกิเลสเพราะเหตุนั่นแหละการประพฤติปฏิบัติในพระศาสนานี้เราปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสไม่ว่าจะเป็นการเรียนการศึกษาการยัดกระาำหรือการปฏิบัติการปฏิบัติธรรมกระทำ เป้าหมายก็คือว่าจะต้องเรียนเพื่อให้ปัญหาเกิดปัญญาเข้าไปรู้ความจริงของธรรมชาติถ้าเรารู้ความจริงของธรรมชาติแล้วเนี่ยวิเลศเกิดไม่ได้ท่านบอกว่าสัจจและสุธิของคู่กันความจริงกับความบริเสนคู่ สักจะก็คือรู้รูปรูนาม้ำกิเลสเกิดไม่ได้เพราะสติปัญญาเข้าไปรู้ความจริงของนามของรูปแล้วพวกอวิชชาปกปิดความจริงไม่ได้ไม่ให้รู้ความจริงของนามของรูปไม่ได้แล้ถ้าปัญญาเขาไปรู้รูปรูน้ำตามความิางคิดผิดความเห็นผิดเข้าไปยึดรูปรด น, น้มที่ผิดไปจะเป็นจริงไม่ได้ปัญหา สิโลพาแต่ถ้าไปยึดโลกยึดนามาเป็นของสวยของงามให้ความสุขสุขกายสบายใจแกเราได้ดีตัางหาและพิธีนี้เกิดขึ้นไม่ได้เาเหตุนั้นแหละการเรียนการศึกษาธรรมะต้องเรียนด้วยการที่จะนำออกจากทุก เราจะต้องศึกษาเรห็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจการประพึติปฏิบัติก็ต้องเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ใช่เรียนก็เรียนไปสักกิเลสหรือไม่เสรปฏิบัติก็ปฏิบัติไปสักกิเลสสิ่งที่จะประพฤติปฏิบัติเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจนั้นน่ะหลักการสาคัญก็คือว่าจะต้องรู้อารมณ์ที่เป็นความจริง จิตนั้นเป็นธรรมชาติรู้อารมณ์นั้นเป็นธรรมชาติที่ถูกรู้แต่แก่รูปเสียงปีนรถปวดสภาว์ธรรมารมณรมรม์ส่วนจิตนั้นเป็นตัวรู้เพราะนั้นจะต้องรู้อารมณ์ที่เป็นความจริงรูปเสียงปีนรถปวดสภาณ์นี้เป็นรูปเรียกว่าวิศยารูปเจ็ส่วนธรมรมารมณ์นั้นมีทั้งรูปทั้งนามอารมณ์ที่รู้ได้ทรรจังเช่น อาการพิยาอาการที่เราเดินยืนนั่งนอนเนี่ยเรารู้ได้ทางใจม่ใช่เอาตาดูนั่งอยู่ไม่ใช่เอาตาดูเพราะตาดูไม่เห็นดูข้างบนที่สะเราไม่เห็นดูข้างล่างเรามองไม่ทั่วแต่ต้องเอาใจรู้อารมณ์ใดที่ต้องใช้ใจเข้าไปรู้เนี่ยอารมณ์นั้นเป็นธรรมอารมณ์เป็นธรรมอารมณ์ได้แก่จิตทั้งหมด มีเป็นธรรมอารมณ์เพราะเรามองเห็นด้วยตาไม่ได้สัมผัสทุกเจ้าในกายไม่ได้อาศัยใจเป็นตัวตามรู้จะจะสิททั้งหมดจะนามนารรมเรามองไม่เห็นตัวเลยต้องใช้สังเกตจากปัญญาที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาเอาไปพิสูจน์ว่าไอ้ตัวความโลภความิีดีจิตใจในอารมณ์เนี่ยมันเป็นยังไง ตัวอยากได้ในอารมณ์แต่ตัวไม่พอใจไม่อยากได้ในอารมณ์เป็นยังไงแต่ตัวไม่รู้จักไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้จักอารมณ์นั้นเป็นอย่างไรโลภะโลสะโมห์และตัวความถึงผิดนี่ผิดไปจากความเป็นจริงเป็นยางไงพวกนี้เป็นสภาพของนามธรรมา ท, ที่จะต้องรู้ได้ด้วยใจเท่งนั้นเพราะนั้นอารมณ์ทางใจ ม, ม, มีมากมายหลายกองมีอารมณ์บุกอย่าง ซึ่งรวมทั้งรูปเสียงสิ่งลดโภตสภาวะลมตัวธรรมอารมณ์เองด้วยต้องรู้ได้ทางใจเพราะตาเราเห็นรูปแล้วเนี่ยแล้วลงทนใจเพื่อจะให้รู้ว่ารูปที่เห็นนั่นเป็นอะไรเป็นคนหรือเป็นสัตว์เป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นวัตถุสิ่งของอะไรนี่ต้องอาศัยใจประมวลในไม่ทิ้งถ้าเราเห็นตาเห็นรูปเนี่ยยังประมวลไม่ถูกก็เห็นสีต่างสั่ง ผได้ยินเสียงก็ได้ยินเสียงสูงเสียงต่ํานี่ยังเป็นปรมัตทอารมณ์เพราะนั้นตัวอารมณ์ที่เป็นความจริงนั้นโดยย่อแล้วก็มีสองสิ่งรูปกับนามกันในตัวเราท่านี้รูปกับนามเนี่ยเมื่อเขาแจกไปตามปรมาทธรรมที่เป็นความจริงเขาแจกออกไปเป็นปรมาทธรรมสี่ประกา ร, รบอกว่าตัทธุตตาพิธรรมมัทธาจธาตุชาวปรมัาทโต จิตตังเจตสิกตังรู้ฟังนิพพานนัมีจิตสัพพะบอกธรรมชาติคือเป็นความจริงแค้นั่นแหละไม่วิปริตผันแปรนั่นแหละมีด้วกันสี่อย่างทั้งโลกนี่มีด้วยกันสีอนส่อย่างในโลกมีสามอย่างนอกจากโลกมีอย่างหนึ่งคือนิพพานจิตธรรมชาติรู้อารมณ์เจตสิกธรรมชาติที่ประกอบกับจิตองแต่งจิตให้เป็นไปในการรู้อารมณ์นัน รูปดิหน้ำไปลงที่ประชุมกันอยู่ในร่างกายของเรามีเป็นรูปจิตเจตสิกรูปโดยย่อแล้วก็จิตเจตสิกนั้นเป็นนามไอ้รูปก็คือรูปขายของหรานามรูปสองสิ่งนี้เป็นความจิตธรรมชาติที่จะไปรู้นามรูปตามความเป็นจริงได้นั้นนะจิตรู้ไม่ได้ แยะกจากสิก่อื่นๆทั้งหลายรู้นามรู้รูปไม่ได้เว้นแต่ปัญญาปัญญาเขาเป็นตัวรู้สภาพธรรมธรความจริปัญญานี้ได้มาจากไหนนะจะได้มาจากการศึกษาหรือการสดับศับฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าปัญญานี้ต้องไายจากพระพุทธเจ้าท่านบอกความจริงให้เรารู้คือรูปคือนามเนี่ยปัญญาเป็นผู้รู้ แต่ถ้ารู้เป็นคนเป็นสัตว์เป็นผู้หญิงผู้ชายไปเนี่ยนี่เป็นอารมณ์ของกิเลสครับในสมมุติบัญญัติต่างๆทั้งหลายเนี่ยเขาเป็นที่อาศัยของกิเลสกิเลสเขาจะรู้สิ่งต่างๆทั้งหลายครับเพราะนั้นถ้าเห็นเป็นคนเพ็นัต์เป็นผู้หญิงผู้ชายเดี๋ยวเราก็ชอบใจไม่ชอบใจก็มีสภาพทำอยู่สองสิ่งที่เป็นไปจากกิเลส ที่แปลสภาพมาจากอนุสัยกิเลสเป็นกิเลสอย่างกลางเราเรียกว่านิวรณ์บังมีความยินดียินร้ายยินดีก็อธิชายินรา้ายก็โทมนำ้ำขึ้นอยู่กับอารมณ์อารมณ์ที่ส่งมาให้รู้เนี่ยถ้าเป็นอิจฉารมณ์ความยินดีก็เกิดขึ้นถ้าเป็นอนิี้พาอารมณ์อารมณ์ที่ไม่ดีความยินรา้ายเกิโทสะก็เกิดขึ้นชีวิตเราเป็นไปอยู่อย่างนี้เพราะ ไม่รู้ความจริงของนามของรูปเสียถ้าเรารู้ความจริงของนามของรูปแล้วเนี่ยอิจารมณิฉารมณเนี่ยไม่มีอิทธิพลที่จะปรุงแต่งจิตของเราให้หวันไหวไปจับความโลภความโกรธเพราะเห็นว่าอารมณ์ที่เราได้รับอยู่ไม่มีใครเขาทำให้เราจะเป็นรูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมเนี่ยกูสนิบาตของเราเองเราทำได้แค่นัดนเอง เราเป็นอานิสง์ของบุญของกุศลที่ส่งผลให้อิทธิารมณ์ต่างๆเหล่านั้นเราได้รับที่เรามีความสุขกายสบายใจอยู่ทุกวันนี้อย่างไม่เก็บไข้ใดป่วยเพราะอานาจของบุญกุศลของเราเองตก่าเนี่ยที่เราเคยทําบุญให้ทานเคยรักษาศีลเคยมีความเมตตากรุณาต่อสัตรูต่างๆทั้งหลายอานิสงของกุศลทำเหล่านั้นเขาก็ส่งผลกลับมาให้เราได้รับผล เพราะนั้นเราไม่ได้ไปยินดียินร้ายหรือว่าเป็นผลงานพิเศษอะไรแล้วเกิดจากกุศลกรรมที่เราทำหรือว่าและตรงกันข้ามกับเตือนสติให้เราจะทำความดีต่อไปบอกกุศลกรรมเขาส่งผลมาให้เราแล้วเนี่ยเราอย่าไปหลงอย่าไปตระมาบเนี่ยไปเพลิดเพลินใช้จิทธารมที่เป็นผลของกุศลให้หมดสิ้นไปโดยเปล่าประโยชน์ เราควรจะเอาอิทธิอารมณ์เหล่านี้นะไปทำคุณประโยชน์ไปทำกุศลต่อไปอีกถ้าเราปรารถนาที่จะได้รับความสุขกายสบายใจแล้วะก็จะต้องใช้ให้เ ป, เ, ปเป็นประโยชน์เหมือนเราแสวงหาทรัพย์มาได้เรามีเศรษฐกิจพอเพียงสมควรแล้วนี่ปัจัต่างๆเหล่านี้ก็เป็นอนิสง์ของบุญของกุศลที่เราเคยทำาม่ได้ไหน แต่ถ้าเราไม่ทำต่อไปเราเรียกว่าเราบริโภคของเก่าไม่ทำต่อไปอานิสงส์ของกุศลกรรมมันก็สิ้นจุดลงไปแค่นั้นเพราะนั้นคนฉลาดเขาไม่ได้บริโภคผลของบุญของกุศลที่เป็นอิจฉาลได้รับอยู่อย่างเดียวเขาก็จะต้องคิดไปเสียสละไปทำบุญให้ทานไปทำบุญกุศลต่อไป เพื่อจะให้มีผลต่อๆผลดีต่อๆไปในอนาคตแต่คนไม่ฉลาดเขาก็เอาปัจจัยที่เขามีได้รับชิ้นเงินทองไม่ได้เอาไปใช้ใจ่ายในการสนุกสนานเล่นเลิงหรือไปทําชุดชัตจริกามไปมีคนไม่ฉลาดเขาเลรับโทษรับภัยได้รับทุกต่อไปและเหตุนั้นแหละชีวิตของเราเนี่ยจึงสําคัญอยู่ที่ ตัวการสำคัญอยู่ที่ตัวกิเลสที่จะชักนำเราไปเสื่อมเสียให้ชีวิตเราต้องตกตามต้องโซมลงไปแต่ตัวการสาคัญที่จะพยุงชีวิตของเราให้จเจริญรุ่งเรืองได้คือปัญญาปัญญาบางทีฉันเข้าไปถึงศีลถึงสมาธิถึงปัญญาแต่ตัวสำคัญที่สุดคือปัญญาเขารู้ความจริงด้วย และละอิริพระเหตุนั้นในพุทธศาสนานี้เนะี่ยท่านถึงฝากพุทธศาสนาเนี่ไว้กับพุทธบริษัทพุทธบริษัทก็บริษัทผู้รู้คำสอนในพุทธศาสนานท่านฝากให้พุทธบริษัททำอย่างไรให้ช่วยกันธนุบารุงช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนานรักษาไว้ด้วยวิธีใด ท่านบอกไว้ด้วยการทาธุระในพระศาสนาสองประการคือคันภ์าธุระเรียนทาสอนในพระศาสนานี่ให้เข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติในวิปัสนาธุระวิปัสนาธุระนี่ก็คือการอบรมปัญญาให้เข้าไปรู้ความจริงของธรรมชาติเพราะนั้นที่เราศึกษาเราเรียนคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ย เราจะเรียนอะไรไปเราก็ต้องเรียนสัจธรรมที่พระพุทธจเจ้าท่านสอนไว้เรียนสัจธรรมตามความเป็นจริงสัจธรรมทามําความเป็นจริงก็คือรูปกับนามเรียนรูร้รูปรูปนามไปตัวรูปตัวนามนี่พระพุทธ อ, องค์ท่านกบ่งว่าเป็นสัจธรรมสัจธรรมมีสี่อย่างเรียกว่าอริยสัจสี ผู้เข้าไปรู้สัจจธรรมนี่ไม่ใช่พุทธชนคนธรรมดาเลยเป็นผู้ที่มีความสามารถในการละอนุสัยกิเลสได้เป็นสมุทเทเตทหารอย่างน้อยที่สุดเป็นพระอริยะบุคคลขั้นพระโสดาบันบุคคลเป็นต้นคือข้ามพ้นจากความเิ็ผิดข้ามพ้นจากความเห็นผิดว่ารูปเป็นเรานามเป็นหลัเพราะตัวสักกายพิจิตรนี่แหละ เป็นอนุสัยกิเลสที่เราจะต้องฟึงชำระเขาก่อนต้องชำระก็ก่อนตัวทิฏฐานุสัยท่านเรียกว่าส ก, กายทิยิสิบบ้างเรียกว่าอัตตาอภิสิบ้างความเห็นว่าเป็นตัวตนคนสัตรูเขาเนะี่ยที่เราเห็นกันตามปกตินี่มีเป็นความเห็นผิดในพุทธศาสนาความเห็นผิดต่างๆทั้งหลายของพวกบรรดา ผู้ได้ฌานไปเกิดเป็นพรมรูปปรรมรอรูปปรพรมเนี่ยมีมากมายหายกองที่ท่านแสดงไว้ในพรมฌานสุขเกี่ยวกับความเห็นผิดเกี่ยวกับรูปนามขันธ์หน้าของเราที่เป็นมาแล้วในอดีตท่านเรียวกว่าปุพันตากับอิกาทิ่ติมีสิบแปดอย่างมีความเห็นผิดสิบแปดอย่างส่วนความเห็นผิดในรูปนามขันธ์ห้าที่จะไปบังเกิดขึ้นในอนาคตอีก เรียกว่าอปรันตกัิการทิฏฐิมีหกสิบสองอย่างเนื้อความรายละเอียดนี้เร า, าหาอ่านได้ในพระสูตรสุตตันตปิฎกเล่มแรกในพรมชารสูตรในทีขนิกายเล่มแรกแสดงความเห็นผิดของบรรดาพวกพรมแต่ความเห็นผิดที่ออกไปหกสิบสองประการนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า มันออกไปจากความเห็นผิดที่เราไปพบมาในพุทธศาสนาออกไปจากสกายทิฐิทังนั้นแหละเห็นว่ามีตัวตนคนสัตว์เป็นเราเป็นเขาขึ้นเราเคยเกิดแล้วหรือไม่เนอเห็นในอดีตสงสัยความเห็นผิดมันเกิดเมื่อก่อนเราเคยเกิดไหมถ้าเคยเกิดแล้วนามมันเกิดหรือรูปมันเกิด เกิดเป็นอะไรก็มีความสงสัยและก็มีความเห็นผิดในอนาคตตายไปแล้วจะเกิดหรือไม่จะเกิดไปเป็นอะไรไปอยู่ที่ไหนนี่เป็นความเห็นผิดที่คิดเอาคาดคะเนเอาหรือบางทีก็อาศัยพวกที่ได้ฌานไปได้อารมณ์ที่เห็นผิดเขาก็เลยไปอธิบายให้เป็นไปกับความเห็นผิด พระพุทธองค์ว่าความเห็นผิดในทางภาษาสนานี่เนะี่ยเรากล่าวว่าความเห็นผิดไปจากรูปจากนามเท่านั้นแหละที่เป็นรากเหง้าของความเห็นผิดท่าเนเรียกว่าส ก, กายาทิติหรือตัวอตานุทิติเห็นว่าเป็นตัวตนคนสัตว์เราเขาตรงนี้แหละเราต้องต้องแก้ซะก่อนต้องทำลายความเห็นผิดที่เป็นตัวตนคนสัตว์เราเขานี่ซะก่อน ซึ่งมันไม่เป็นความจริงตัวตนคนสัตว์เราเขาเนี่ยมันไม่มีแต่เพราะอะไรเราจึงเห็นเป็นตัวตนคนสัตว์เราเขาไปเพราะคณะสัญญาเพราะการรวมกลุ่มกันของรูปของนามมันเข้ามากลมกลืนกันทั้งนามทั้งรูปมันเข้ามาผสมกลมกลืนกันเลยเราแยกรูปไม่ออกแยกนามไม่ออกก็เลยเหมาวันเนี่ยเป็นเราเป็นไร เราเห็นเราได้ยินเราได้กลิน่นเรารู้รสเราสัมผัสถูกต้องเราคิดนึกเรานั่งเรานอนเรายืนเราเดินเราง่วงเราฟุ้งเราสงบนี่คือสภาพของสักการะทิฏฐิเขา ย, ยึดรูป ย, ยึดนามเอาไว้ในการปฏิบัติ ธ, ธรรมในทางาศาสนาสักกายะทิฐินี่เป็นอนุัยกิเลสตัวแรกเลยทีเดียว ที่จะต้องกำจัดด้วยปัญญาปัญญานี่ก็ละอุสสยกิเลสศีลละกิเลสอย่างหยาบสมาธิละกิเลสอย่างกลางปัญญาละกิเลสอย่างละเอียดกิเลสอย่างละเอียดนี่มีหลายอย่างหลายประเภทแต่ว่าสิ่งที่ปัญญาจะต้องละก่อนก็คือตัวสกายทิฏฐิเพราะอะไรเพราะท่านบอกว่าถ้า สัตว์ทั้งหลายยังมีสั ก, กายทิตฐิอยู่มีความเห็นผิดในรูปนามการน่าว่าเป็นอัตราตัวตนสัตว์เหล่านั้นยังมีหนี้มีหนี้ศินที่จะต้องไปใช้ในอบายคือยังไม่พ้นจากอาบายถ้าสําคัญผิดว่าเป็นตัวตนคนสัตว์เราเขาแล้วละก็มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะให้เราขวนขวายให้สแสวงหาอารมณ์ภายนอกมาเป็นของของเรา นีการสแสวงหาอารมณ์ภายนอกให้มาเป็นของของเราเนี่ยจะเป็นไปโดยชอบทำก็ เ, เอาไม่ชอบทำก็ เ, เอาโดยมากแล้วมักจะเป็นไปโดยไม่ชอบทำไม่สุดจริตเป็นไปกระทุจริต น, นั่นเองเพราะนั้นเราเห็นไมหมฮะว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยกิเลสของมนุษย์เรากิเลสของมนุษย์เราเนี่ยมีมากมายไลาของเยอะเกิ โดยมากไม่ค่อยเป็นไปโดยบริสุทธิยุติธรรมที่เขาออกข่าวคราวมาเนี่ะเรื่องสวยเรื่องอะไรต่างๆทั้งหลายเหล่านี้คือเป็นผลประโยชน์ที่ได้มาตามน้ำเราคิดว่าเรามีอำนาจหน้าที่ในการงานนี้แล้วใครจะให้รางวัลบ้างให้สินบนอะไรบ้างก็ให้ประโยชน์เข้าไปอันนี้ก็ไม่บริสุทธนะิ์เพราะนั้นสิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ คำรรต่างๆทั้งหลายที่จะเป็นไปโดยความบริสุทธิ์นี้จะต้องเป็นกรรมที่ไม่ได้ปรารบในลาบไม่ได้ปรารบในยศในสรนเสริญในความสุขแต่ต้องปรารบมาเพื่อละกิเลสของเราเท่านั้นเองเพื่อละกิเลสของเราพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้แล้วเนี่ยหลักคําสอนในภาษาศาสนาในอุวทัทัปฏิโมกท่านแสดงไว้ชัดเจนว่าสัพพปาปัสสะากะระนัง เพื่พึงละบาปประธรมต่ า, างปวงกุศลสูบประสัมบทาด้วยการมั่นทํำกุศลให้ถึงพร้อมสา จ, จิตตประโยชนทัปนังทําจิตให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วเอตังพุทธานาสาสนังนี้เป็นคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นกี่องค์ก็ตามเถิดนโยบายหรือหลักคําสอนในภาษาศาสนาก็จะต้องปเป็นเช่นนี้เหมือนกันไปแบบเหมือนไป็นแ ละบาป ท, ทั้งปวงละอะไรละกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดละได้ด้วยอะไรด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลอะไรที่จะถึงพร้อมได้ก็ต้องอาศัยศีละกุศลสมาธิกุศลปัญญากุศลที่จะไปทำทำลายกิเลสต่างๆทั้งหลายให้ หมดจดไปได้แต่ว่าที่จะทำลายได้เด็ดขาดนั้นต้องอาศัยตัวปัญญาตัวปัญญาศีลละกิเลสเพียงตัดทางขาประหารละชั่วขณะที่เราสมาทานศีลไว้วันหนึ่งคืนหนึ่งหรือทั่วขณะเจตนาในการงดเว้นเท่านั้นในวิรายติศิลหรือขณะที่เราสังวร อ, อยู่เราก็มีศีลล้าก็ละกิเลสอย่างหยับยาญได้แต่ถ้าเราขาดเจตนาสมาทาน ขาดวิรัติขาดสังวรศีลก็มีบัติไปเหมานั้นเพราะนั้นศีลเนี่ยละกิเลสได้ชั่วขนาดเราเรียกว่าเป็นตะทางขาปอาหารละได้ชั่วขนาดขนาดขณะที่ศีลมีส่วนสมาธินั่นน่ะมีกําลังอํานาจที่จะข่มกิเลสไว้ข่มไว้เป็นวิขำพันธะปอาหาร ราบดบใดที่กำลังสมาธิยังมีกำลังมั่นคงอยู่องค์ชานทั้งหลายสนับสนุนเต็มที่วิตกบอกวิตกละธีนามิทะนิวอนวิจารละวิจิกิจฉานิวอนปีติละพยาปาทานิวอนสุขละอุทจักภูจัจนิวอนเอกะขะตาละกามฉันทานิวอนแต่ว่าท่านชู สมาธินี่ยกให้เอกคตาคือตัวสมาธินี่ยก็เป็นประธานแล้วเราจะต้องอบรมองค์ชานวิตกวิจารปีติสุขเอกขตาด้วยให้มีกําลังเข้มแข็งถึงจะสามารถต้านทานพวกกิเลสอย่างกลางพวกนิวรณ์ให้สนุงบะงียบลงแต่ไม่สามารถละกิเลสอย่างละเอียดได้คนได้ฌานได้รูปฌานอรูปฌานแล้วเนี่ย ถามว่าละอนุสัยกิเลสได้ไหมไม่ต้องละอนุสัยกิเลสอื่นไกลหรอกเอาตัวเราออกได้ไหมเอาเราออกได้ไหมเอาไม่ได้ที่จะถ่ายถอนเอาเราออกเนี่ยต้องเอาออกได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาแต่นั่นแหละกว่าปัญญาจะเกิดขึ้นได้เนี่ยเขาต้องอาศัยปัจจัยร่วมประกอบมีศีลมีสมาธิละปัญญา ถึงจะเกิดขึ้นได้สะดวกศีล ส, สมาธิปัญญาก็คล้ายๆกับองค์ฌานนี่แหละวิจตุวิจารปิติสุขสนับสนุนเอกขต า, าสนับสนุนตัวสมาธิส่วนศีลสมาธินี่ก็ข้าสนับสนุนปัญญาแต่ว่าจะต้องเป็นภายในอารมณ์อันเดียวกันกับปัญญาศีนั้นก็จะต้องมีรูปเป็นอารมณ์มีนามเป็นอารมณ์สมาธินั้นก็จะต้องมีรูปเป็นอารมณ์มีนามเป็นอารมณ์ปัญญาก็ต้องมีรูปมีนามเป็นอารมณ์อย่างเดียวกัน ในอารมณ์เดียวกันอารมณ์เดียวกันอารมณ์อะไรอารมณ์ของสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมกายก็คือรูปประธรรมเวทนาก็นมจิตก็นามส่วนธรรมก็ทั้งนามทั้งรูปพระเหตุ น, นั้นการศึกษาในพุทธศาสนาของเราเราจะเรียนอะไรก็แล้วแต่ตามหลักสูตรการเรียนการศึกษาในศาสนา มีการเรียนรรนักรรทำตรีนักทำโทนักทำเอกเรียนปรเรียนธรรมเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ประโยคหนึ่งถึงประโยคเก้าแต่ขอให้เรียนแล้วให้เข้าใจถึงรูปถึงนามถ้าเรียนแล้วไม่เข้าใจถึงรูปถึงนามเนี่ยยังไม่รู้จักคําสอนของพระพุทธเจ้ายังไม่รู้จักสัจธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เราก็เห็นชัด เห็นชัดเนี่ท่านอนุสาสนาจารย์ของทัพเรือเดี๋ยวนี้ท่านเป็นที่ปรึกษาของประเดียนธรรมสมาคมรู้จักกันดีมาหาธนนบผิวเถิด อ, อยู่วัดสัมพญาท่านเป็นประธานประธานที่ปรึกษาของประเดียนธรรมสมาคมก็สุดท้ายที่ก็จะปิดการอภิปรายการบรรยายธรรมที่ประเดียนธรรมเมื่อวันที่ห้าเดือนก่อนก็ยัง เชิญคณะเราไปพูดไปพูดธทรมาแต่บอกโดยตรงว่าผมเรียนมาได้ความรู้จบสูงสุดในพระศ า, าสนาปรยนธรรมเก้าประโยชนย์แล้วก็ศึกษาลาเพศเออกไปเป็นอนุศาสนาการย์ของทับเรือรู้สึกจะเป็นนวาวเอกพิเศษเลแล้วก็ปลดกเกษียณอายาุเคยอยู่ที่วัสุวรรณลามบท ผมไปบวชก็เห็นแกมาย่ายมาจากที่อื่นมาอยู่ที่น่เดินแค่เรียนว่าสัมปยาแล้วไปอยู่วัดภาวนาแล้วก็ไปอยู่วัดสวนาครับก็ชักชวนการตั้งโรงเรียนสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้นนะแกก็สนับสนุนเห็นดีด้วยแวก็ผมก็สอนชั้นสูงก็หยุดยกเอาปรมามัตธรรมนี้ไปสอนเขาแกสนใจ แกบอกมันเป็นธรรมที่มีเหตุมีผลดีที่ผมเรียนมาทั้งหมดเนี่ยมันเรียนจำตัวพยัญชนะส่วนใหญ่จำพยัญชนะส่วนใหญ่เพราะความรู้ของเราเนี่ยไอ้ความรู้เนี่ยมันมีอยู่สามรู้รู้โดยวิญญาณรู้อันหนึ่งรู้โดยสัญญารู้อันหนึ่งรู้โดยปัญญารู้อันนึงรู้วิญญาณรู้ก็รู้เห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสถูกต้องสัมผัส คิดนึกอารมณ์รู้ด้วยสัญญารู้ในรู้จำรู้จดรู้จำบางทีไม่เข้าใจนี่แหละการเรียนการศึกษาของเราส่วนใหญ่เราเรียนจำกันเรียนจำจำในพระสูตรจำในพระไตรปิฎกในจำและบางทีไม่ค่อยเข้าใจเราเอาเก็บเอาความรู้ความจำนั่นแหละบางทีมาถกเถียงกันเพราะว่าเราเข้าใจไม่ถึง ความลึกซึ้งในคาสอนของพระศาสนาแต่ถ้าเรียนเข้าใจนั่นอันหนึ่งเข้าใจในเหตุในผลของสภาวธรรมนั้นด้วยที่บอกว่าถ้าเกิดปัญญาแล้วรู้เรื่องกรรมรู้เหตุแห่งความเสื่อมของชีวิตรู้เหตุแห่งความเจริญของชีวิตถ้าทำอกุศลกรรมนี่ก็เข้าถึงเหตุแห่งความเสื่อมถ้าทำกุศลกรรมก็เข้าถึงเหตุแห่งความเจริญ นี่นกุศลอกุศลมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอะไรมันเกิดขึ้นแล้วมันไปทําอะไรถึงให้เกิดความเสื่อมในชีวิตได้นี่เป็นรายละเอียดที่ถ้าปัญญาเขาเข้าใจลึกซึ้งแล้วเนี่ยเขาจะจําแนกแจกแ จ, ง, แจงออกมาว่ากุศลนั่นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอกุศลเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเราเรียนเราศึกษาไปเราก็จําถ้าโยนิโสมนสิการพิจารณาอารมณ์โดยแยบคลายก็กุกศลเกิด พิจารณาอารมณ์โดยไม่แยกใครก็อกุศลเกิดพิจารณาอารมณ์โดยแยกใครนั่นนหะแยกใครอย่างไรและมันมีปัจจัยอะไรที่สนับสนุนใหความคิดพิจารณาเราแยกใครขึ้นท่านบอกต้องอาศัยปัจจัยถึงห้าประการนายโยนิโสมนสิกันปุเพกตาบุญญาตาอดีตกรรมเราเคยทําบุญทํากุศลมาแต่ชาติปางก่อนมีศรัทธา มีความไม่โลภความไม่โกรธมีปัญญาเคยทำบุญทากุศลมาหลายชาติบ้างก่อมาปัจจุบันนี้ก็มาเห็นประโยชน์ของการที่จะทำจิตให้เป็นกุศลในปัจจุบันนี้เราจึงอันเขมาศึกษาท ร, ร ม, มาประพฤติทำปฏิบัติทำกั น, นเนี่ยปุเพคาตาปุญญ า, ารานั้นที่เราเข้าวัดเข้าวามาศึกษาฟังธรรมเนี่ยบุญเ ก, ก่ามีก่อนแทนไม่ใช่เฉพาะมีในชาตินี้นะ บุญเก่ามีแล้วก็สนับสนุนให้เราได้ปัจจัยจากบุญเก่าเนี่ยมาสร้างกุศลบุญใหม่ในนี่ประการแรกผู้เพกตาคุณ ญ, ญาตาเคยทำบุญทากุศลมาแห่ชาติทางก่อนปฏิรูประเทสวาศได้มาเกิดอยู่ในประเทศที่ภูมิประเทศที่สมควรภูมิประเทศที่สมควรอย่างไร ในถินสถานที่มีการศึกษาพระพุทธศาสนามีการศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศที่สมควรอย่างประเทศไทยแล้วแต่ไม่ได้มีทั่วประเทศไทยแล้วนะปฏิรูปประเทศสวาาัสดถ้าไปอยู่ในคุกในตารางนี้ก็ไม่เคยมีโอกาสหรือไปอยู่ในสถานเริงรมนี้ก็ไม่ใช่เป็นปฏิรูปประเทศสวาาัาดโดยมากนี่ จะบอกได้ไหมว่าวัดวาอารามเป็นประตูปฏิรูประเทศวาสาหรือเปล่าถ้าโดยสถานที่แล้วน่าจะเป็นแต่ไม่ใช่ไปอยู่ในประเทศที่สมควรอย่างเดียวแหลต้องอาศัยปั จ, จัยกับสัพปริสูปนิสัาต้องไปคบหากับสัพุรุตอีกคือสัตจะบุตรผู้รู้สัจจะทมรู้จักนามรู้จักปรุงต้องไปคบหากับท่าน สัตธรรมสวัสได้ศึกษาเรื่อเรียนพระสัตธรรมคําสอนเรียนรูปเรียนนามอย่างที่เรากาลังศึกษากันอยู่ต้องได้ยินได้ฟังเรื่องรูปนามที่เป็นความจริงรูปนามความจริงนี่ต้องเรียนพรมาทัธรรมหรือถ้านายพระไตรปิฎกก็ต้องเรียนอภิธรรมเรียนก่อนเรียนอภิธรรมนี่ต้องเรียนก่อนเพื่อจะให้เข้าใจรูปเข้าใจนามเรียนรูปเรียนนามไปทําไม ตรงนี้แหละที่จะเอาไปทําลายตัวสักกายทิฏฐิความเห็นผิดเพราะความนี้เป็นมรคาวรเป็นความเห็นผิดนี่แหละเป็นเครื่องกั้นมรคนิพพานแล้วไม่กั้นนรกไม่กั้นระบายภูมิแต่กั้นมรคนิพพานเพราะนั้นผู้ยังมีความเห็นผิดว่ารูปนามขันห้าเป็นอัตตาตัวเรา ดูก็ไม่ใช่เรื่องที่จะผิดพลาดไร้กาดชะกาดชาการอะไรแหละเป็นจะเพียงเห็นว่าเป็นตัวตนคนสัตว์เราเขานะแต่นี่แหละท่านบอกว่าเป็นวัดตาภัยเป็นภัยที่ทำให้เราต้องเวียนเกิดเวียนตายในสังสารวัฏอย่างไม่มีที่สิ้นสุดถ้าใครสามารถทำลายตัวส ก, กายอาทิตถิได้นั่นแหละปิดประตูออบาย ปิดประตูอาบายไม่ต้องไปนรกไม่ต้องไปเป็นเปรตอสุรกายเดรัจฉานเพราะละมิชชาทิฏฐิาราสกายทิฏฐิได้มีพระโสดาบันบุคคลเป็นต้นปิดประตูอาบายแ ล, และนอกนั้นยังมีหลักประกันค้ำประกันอีกพระโสดาบันยังเหลือทำเกิดอีกกีชาติจ้ะเหลือเกิดอีกกี่ชาติ เจชาติเท่านั้นเองแน่นอนเพราะนั้นถ้ากราบใดที่เราสามารถละสกายทิฏฐิได้แล้วแล้วก็นั่นแหละเราจะเปลี่ยนฐานะของปูทูชนเป็นพระอริยะบุคคลได้ปิดประตูอาบายเลยมีแต่จะเกิดในสุคติอย่างมากอีกเจ็ดเจ็ดชาติอย่างน้อยก็อีกชาติเดียวก็ได้เพราะท่านแบ่งโซดาบันไว้เป็นเอกพิชีโกลังโกละ สัตตุขตาปรมาโสดาบันมีสามประเภทที่เกิดอีกเพียงชาติเดียวก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ที่เกิดอีกสองถึงหกชาติก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เรียกว่าโคลังโคละโสดาบันที่เกิดอีกอย่างมากไม่เกินเจดชาติเป็นที่สุดเรียกว่าสัตตุขตะประมาโสดาบันเพราะทำลายความเห็นผิดสกายอผิดทิฏฐิเพราะเหตุ น, นั่นแหละ ในการประพฤติปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อทำให้ใจสงบหลักการสําคัญไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อทำให้ใจสงบจะไปนั่งทาสมาธิไปเดินจงกรมกันให้ใจสงบมันไม่ใช่พุทธประสงค์พุทธประสงค์โดยตรงก็เพื่อละตัวตนคนสัตว์เราเขาออกไปดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า สัพเพธรมานตาว่าทมทั้งหลายทั้งปวงนี่ไม่ใช่สัตบุคคลตัวตนเราเขาหรอกนะแล้วเป็นอะไระท่านบอกนิสัตานิีวะสภาวะปฏิเสธความเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเราเขาแต่ยอมรับว่าเป็นธรรมชาติของสภาวะธรรมธรรมชาติของสภาวะธรรมนั้นได้แก่อะไรรูป กับนามสองอย่างแจกกระไปเป็นขันห้ารูปขันหนึ่งนามขันสี่แจกเป็นอายตนาสิบสองรูปอายตนาสิบนามอยายตนะหนึ่งทั้งรูปทั้งนามอีกหนึ่งเรียกว่าอายตนาภายในหกภายนอกหกรูปนามนี่แหะแจกกระไปเป็นธาตุมีสิบแปดรูปประธาตสิบวิญญาณธาตุเจ็ดทั้งรูปประธาตนามประธาต ธรรมธาตุอีกหนึ่งเป็นสิบแปดแยกไปเป็นอินทรีย์ยี่สิบสองความเป็นใหญ่ในสภาพธรรมที่เกิดขึ้นพร้อมกันกับตนเป็นรูปอินทรีย์แปดนามอินทรีย์แปดโดยสภาวะรูปอินทรีย์แปดก็มีตาหูจมูกลิ้นกายภาวะรูปเพศหญิงเพศชายหัตไทยวัตถุและก็ชีวิตรูป จากขุนศีโศตินรีคาณินศีชิวหินศีกายินรีแล้วก็อิทธินรีปุริศินรีชีวิตินรีรูปอินทรียมีแปดนามอินรียก็มีแปดเหมือนกันโดยแยกจากมนินรีจิตทั้งหมดเป็นมณินรียเวทนาเป็นเวทนาอินรียเป็นเวทนาอินศีเป็น มนณีศีเวทนาอินรียมีสุขขินศีทุกขินรีสมนัตสินรีโทมณัตสินรีอุเพศินรีนี่ท่านนับหนึ่งยนับเวทนาอินรีห้านี่นับหนึ่งจิตทั้งหมดนับมนณีศีเป็นนามอินรีสองอย่างเลยชีวิตอินรีเจตสิกสามศรัทธาสัตตินรีวิริยินรีสมาสตินรีสมาสินรีปัญญศี อีกห้าเป็นแปดเหมืับขายายเอาไปจากรูปินทรีนามินสีสัจจะสี่ทุกขสัจจะรูปนามขันห้าเนี่ยทั้งรูปทั้งนามที่ยังเป็นไปในโลกยังต้องเวียนเกิดเวียนตายในโลกเนี่ยเป็นทุกทุกขสัจจะสมุทยาสัจจะคือตัณหาโลภะตัณหานี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นิโรธาสัจจะคือพระนิพพาน เป็นธรรมที่ดับทุกปณิพานนี้พ้นจากสั้นสงเคราะห์เป็นนามเพราะไม่มีรูปแต่ไม่ใช่นมามขันสงเคราะห์เป็นนามมาทำเป็นอรูปธรรมเพราะไม่มีรูปปณิพานเป็นอารมณ์ที่พ้นจากขันแต่ไม่ใช่นมามขันไม่มีรูปนั่นเองสงเคราะห์ ว, ว่าเป็นนามเป็นธรรมที่พ้นจากโลกไปอันนี้ก็เป็นนิโรธสัจจ์ และเจตสิกแปดตัวที่เป็นองค์มรรคสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปร์วิรติอีกสามสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่เป็นตัวองค์มรรคย่อในองค์มรรคแปดก็คือศีลสมาธิปัญญาเป็นตัวปฏิบัติปฏิบัติเนี่ยพนักปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อลักิเลส ข, ของเราเองนะั่นแหะ ที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเราจะมาฝึกขัดการละกิเลสของเราเองไนงะละกิเลสของเราเองละกิเลสตัวแรกอะไรละ่ะที่กล่าวไปแล้วละกิเลสตัวแรกละอะไรเราจะเพื่อล่าละความเห็นผิดใช่ไหมฮะละความเห็นผิดว่ารูปนามกันหน้าเป็นอัตตาตัวเราเนี่ยว่าเรานั่งไอเรานั่งเนี่ยชี้ไม่ได้ตรงไหนชี้เราให้ดูซิว่าเรานั่งอยู่ตรงไหนไม่มี ไม่มีเรานั่งไม่มีแล้วอะไรนั่งล่ะรูปนั่งรูปนั่งอยู่แหนก็ที่ตัวเรานี้เราชี้ได้เนี่ยรูปนั่งที่อยู่ในอาคารภาพพังเท่าหมดนี่แหละเป็นรูปนั่งเนี่ยนี่รูปนั่งและนามอยู่ที่ไหนล่ะไอ้นามอยู่ที่การจัดแจงให้เรานั่งอยู่ได้เนี่ยถ้าเราหลับปุ๊บมันโค้นเราตายปุ๊บเนี่ยนามมันไม่มีมันก็นั่งอยู่ไม่ได้นั่งนอนยืนเดินเนี่ยมีนามเป็นผู้กํากับให้นั่งนอนยืนเดินสําเร็จได้ หรืออีกอ่นหนึ่งไอ้น้ำเป็นตัวอ่านตัวรู้น้ำมาดูดูว่านี่รูปนั่งนะกําลังนั่งอยู่ในอาการท่าทางอย่างนี้เรียกว่ารูปนั่งเนี่ยน้ำเป็นผู้ดูนามก็เป็นปัจจัยให้รูปนั้นเกิดเดินยืนนั่งนอนด้วยแล้วผู้ดูผู้อ่านน้ำนั่นก็คือตัวสติปัญญาเนี่นยนะที่เป็นผู้อ่านเป็นผู้อ่านอ่านรูปเพราะฉะนั้นในพุทธศาสนานี้นะ ท่านบอกว่าจะรักษาพุทธศาสนาไว้ให้ดำรงคงมั่นอยู่ได้เนี่ยพุทธบริษัทต้องทาธุระสองประการคันถธุระคือเรียนคำสอนของเราตถาคตให้เข้าใจเรียนอะไรพระพุทธศาสนามีตั้ง8 000, 000, 000, ปดหมืี่พันธรรมขันเรียนเราเราเรียนแก่นธรรมให้รู้แก่นธรรมเหมือนต้นไม้ใหญ่เนี่ยเราไม่ต้องเก็บใบไม้มาทีละใบ เก็บดอกไม้เก็บผลไม้มามันจ้องไปรูปที่เปลือกที่กระพี้ละเอาแก่นแก่นธรรมที่เป็นสัจธรรมนั่นคือรูปคือนามเป็นแก่นธรรมที่มีในโลกนี้คือรูปคือนามไม่อยู่ที่ตัวเราทุกคนนั่นแหละแต่คนอื่นเราไม่รู้เขาเรารู้ที่ตัวเรารูปนามที่ตัวเราคนอื่นเขานั่งเนี่ยเขาเป็นทุกข์เรารู้ไหมไม่รู้ถ้าเรานั่งเมื่อยเป็นทุกข์เรารู้ไหมรู้คนอื่นเขา มีความอยากได้อยากจะประทานอะไรบางคนสู บ, บุรีอยากบุรีเราไม่รู้ครับเ ร, เราไม่เคยสู บ, บุรีก็นี้เราไม่รู้ถึงใจรูปเขาเป็นยังไงนามเขาเป็นยังไงเราไม่รู้เพราะนั้นการที่จะรูความจริงนั้นต้องดูรูปนามที่ตัวเราถ้ารู้รูปนามที่ตัวเราแล้วก็จะแยกแยกธรรมชาติสองสิ่งออกจากกาันรูปอันหนึ่งนามอันหนึ่งเป็นคนละส่วนกัน เนี่ยขั้นแรกของการเจริญวิปัสสนากรรมาฐานต้องใช้สติใช้ปัญญาเนี่ยเขาไปแยกรูปแยกนามที่เขารวมกันอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนท่านเรียกว่าทําลายคณะสัญญาคณะสัญญาคือจําธรรมะที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนของนามของรูปที่รวมจําผิดไปจําผิดว่าเป็นเราเพราะอํานาจของโมหะอวิชชาเขาปกปิดไม่ให้รู้รูป ร, รู้นาม เพราะอำนาจของตัณหาและทิดถีเขาไป ย, ดยึดรูปนามว่าเป็นเรารูปนั้นให้ความสวยงามแก่เราได้สุภาพวิปลาสเกิดนามเวทานานั้นให้ความสุขแก่เราได้สุ ข, ข่าววิปลาสเกิดนามจิตของเราเนี่ยทาให้ความเห็นผิดเกิดขึ้นว่าจิตของเราเนี่ยเที่ยงตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยจิตของเรายังอยู่เลยจิตใจขเรายังอยู่มาไม่ไม่แตกดับไม่สูญจลายไปนิจาวิปลาสก็เกิด จำรูปนามขันห้าที่เป็นกลุ่มก้อนประชุมกันว่าเป็นตัวเราอัตตาวิปลาสเขาเกิดเนวิปลาสความสำคัญผิดในรูปนามขันห้าที่เขาประชุมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยก็ทำให้เกิดความสำคัญผิดสี่ประการวิปลาสจะทำสิมีสุภาวิปลาสสำคัญว่ารูปกายให้ความสวยงามแกเราได้ สำคัญว่าเวทนาให้ความสุขกายสบายใ จ, จแกเราได้สำคัญว่าจิตนั้นเที่ยงสำคัญว่ารูปนามขันธ์หน้าเป็นอาตาตัวเราเป็นตัวตนไปที่จริงมันไม่ใช่ทางนั้นนแล้วสิ่งที่เราสําคัญผิดนี่ก็ไม่ใช่มาสําคัญผิดเดี๋ยวนี้นะเขาฝังมานมนานกาเลแล้วเป็นความรู้สึกของอุปาทานกิเลสของตัณหาและทิฏฐิท้าเรียกว่าอาสวะกิเลส วิชาตัญหาทิฏฐิอาสวะธรรมมันหมักหมมจมอยู่ในจิตสนดานของเรามาเป็นเวลานานแล้วถ้าตราบใดเรายังไม่ได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วล่ะก็ไม่มีหวังไม่มีหวังที่จะไถ่ถอนความเห็นผิดนี้ได้เพราะนั้นเราก็ทราบแล้วว่า สิ่งที่ทําให้สัตว์ทั้งหลายต้องเวียนไหวตายเกิดอยู่ในวัฏจทุกข์ไม่รู้จักพ้นจากทุกข์ไปได้เพราะตัวความเห็นผิดในรูปนามขันห่าว่าเป็นอัตต า, าตัวเราเนี่คือส ก, กายอทิตติท่านชี้ตัวส ก, กายอทิตตินี้เป็นมหันตภัยเป็นไพยอะไรจะยิ่งใหญ่กว่าส ก, กายอทิตติไม่มีไม่มีคนที่ถูกประหารชีวิตจะด้วยปืนยิงก็ตามด้วยเข็นผิดยาก็ตามเถอะตายแล้วก็เกิดใหม่ได้ แต่มิจฉาทิฏฐิเนี่ยไม่ลบถ้าไม่พบพระสัมมาสูตรพระเจ้าแล้วลบไม่ออกก็จะเห็นเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่เรื่อยไปนีอยู่เรื่อยไปเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่ยเราจะเห็นได้ว่าพวกพรั่งบางข้าชาวต่างประเทศนี่เขาก็สนใจพุทธศาสนาแต่โดยมากเขาสนใจแต่เพียงสมาธิเท่านั้นแหละทาจิตให้สงบสมาธิ เข้าไปบวชที่วัดน้องป่าพงหลวงพ่อชาบังเนี่ยเข้าไปตั้งวัดนา น, นาวัดป่านานาชาติบังเนี่ยไปเป็นลูกศิษย์อาจารย์ฟั่นบังต่างๆเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่ทําสมาธิกันทางนั้นกันเขาเข้าใจแค่นั้นไอ้ที่จะไถ่ถอนเราอัตตาตัวตนคนสัตว์เราเขาเนั่นถอนไม่ออกเพราะวาสนาบา ร, รมีในอดีตเขานี่เขาไม่ได้พบคําสอนของพระเจ้าเจ้าที่ถูกต้อง ที่เป็นสัจธรรมตามความเป็นจริงเดี๋ยวนี้เราไม่ได้รับรู้อะสัจธรรมตามความเป็นจริงท่านบอกว่าต้องอบรมปัญญาของเราเนี่ยเริ่มต้นต้องอบรมปัญญาของเราเนี่แยกรูปแยกน้ำออกจากตัวตนคนสัตว์เราเขาซะก่อนให้เห็นรูปโดยความเป็นรูปให้เห็นน้ำโดยความเป็นน้ำเมื่อเราแยกรูปโดยความเป็นรูปน้ำออกความเป็นน้ำแล้วเนี่ยเราจึงจะเห็นอาการเป็นไปของรูปอ่านไปของน้ำ ถ้าเราไม่แยกรูปแยกนามออกจากกันแล้วเนี่ยเราไม่สามารถเห็นอาการเป็นไปของนามของรูปได้เมื่อเราแยกรูปแยกนามออกจากกันไปแล้วเลยจึงเห็นอาการเป็นไปของรูปของนามนั้นเขามีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับไปเป็นธรรมดานี่เพราะธรรมชาติเหล่านี้เป็นสังขตะธรรมหรือเป็นสังขารธรรมเป็นธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้นหมดปัดจจัยก็ดับไปเหมือนเรามี ตะเกียงน้ำมันอยู่ปัจจัยก็คือน้ำมันเนี่ยไส้มีไม้ขีดไฟจุดเท่าตะเกียงก็สว่างสวัยไปหมดน้ำมันหมดไส้ไฟดับปัจจัยมันหมดไฟมันก็ดับไปหรือลมพัดดับหรือคนเป่าให้ดับไปความดับนัมีหลายเหตุหลายปัจจัยด้วยกันแต่ไม่ใช่อยู่ๆมันจะดับไปเองเนี่ยเพราะหมดขาดปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดขึ้น ชีวิตรูปนามของเราก็เหมือนกันเกิดจากเหตุจากปัใจจัยให้เกิดหมดเหตุหมดปัดจจัยก็ดับแต่เหตุปัจจัยนั้นมีหลายอย่างหลายปัจจัยด้วยกันแล้วแต่ปัจจัยอันไหนจะหมดก่อนหมดหลังกันเนี่ยเมื่อเราศึกษาแล้วเนี่ยเราแยกรูปแยกนามออกจากกันแล้วเนี่ยแล้วเราก็ตามดูนามดูรูปเขาตามความเป็นจริงรูปนามนี่แหละเขาจะประกาศประกาศความมีแล้วหมดไปไม่เที่ยงประกาศความทนอยู่ไม่ได้เป็นทุกข์ ประกาศความเป็นอนาจตาบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเขาเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยดับไปตามเหตุตามปัจจัยนะครับปัญญาเข้าไปรู้อย่างนี่แหละพระพุทธองค์ตรัสเตวานี่แหละวิปัสนาปัญญาวิปัสนาปัญญาเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาอบรมเพื่อจะให้วิปัสนาปัญญาเก่อ เราต้องเข้าใจแนวทางในคําสอนในพุทธศาสนาซะก่อนว่าเราจะต้องเรียนสัจธรรมคําสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเรียนธรรมชาติที่เป็นความจริงคือรูปคือนามเพราะนั้นธรรมชาตินี่แหละเป็นความจริงที่ให้ความรู้แก่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าให้ขั้นจัดสรูปความจริงแก่ เพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์ใครใครเป็นครูบาอาจารย์ของพระสมมาสัมพทุทธเจ้าหาไม่ได้หาบุคคลเป็นครูบาอาจารย์โดยตรงไม่ได้แล้วใครเป็นผู้สอนให้พระพุทธเจ้ารู้ละธรรมชาติตัวสภาพธรรมที่เป็นนามเป็นรูปนั้นที่ท่านตรัสไว้ในอุปกาทสุขพอตัฏถาคจจะอุบัติขึ้นหรือไม่ก็ตามเถอ ธรรมชาติธรรมดาหรือสภาวธรรมนั้นเขามีอยู่แล้วเขาเป็นไปโดยอาการเกิดขึ้นอันดับไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาเป็นปกติธรรมดาในสัตว์ในบุคคลทั้งหลายก็มีอยู่รูปนามเหล่านั้นมีความเกิดเป็นธรรมดาความแก่เป็นธรรมดาความตายเป็นธรรมดาสะจะัจธรรมทําความเป็นจริงที่เขาเกิดจากเหตุจากปัจจัยเ้าเป็นอย่างนั้นแล้วที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ได้เนี่ย ท่านไม่ได้รู้โดยการคิดเอาคาดคะเนเอารู้จักรูปจากนามนั่นแหละเป็นผู้สอนโตอง์ท่านให้เห็นความจริงของรูปของนมามเมื่อเขามีเกิดความเกิดขึ้นระดับไปเป็นธรรมดาของเขาจึงประกาศความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้อย่างนี้แล้วมีประโยชน์อะไรมีประโยชน์มหาศาลหรืเพราะเหตุว่าทุกวันนี้เนี่ยอำนาจของอุปาทานกิเลสคือ ตัญหาและทิฏฐิโดยมีอวิชชาเป็นตัวสนับสนุนเราเรียกว่าอาสวะกิเลสก็ได้เรียกว่าโอฆะก็ได้เรียกว่าโยฆะก็ได้คือเป็นธรรมที่ฝังจมอยู่ในสันดานของเราเรียกว่าอาสวะเรียกว่าโอฆะเพราะว่าธรรมเหล่านี้เนี่ยอวิชชาตัญหาทิฏฐิเนี่ยเป็นเสมือนห่วงน้ำที่ท่วมทับสัตว์ทั้งหลายให้จมอยู่ในก้นมหาสมุทรก้นน้นี่ ความโง่ความโลภความเห็นผิดเนี่ยสามตัวเนี่ยท่วมทับเราให้จมอยู่ในน้ำทำยังไงถึงจะกู้ขึ้นอเนี่ยส่วนอาสวะนั่นบอกเหมือนของเมามุนสุราทำให้สัตว์ทั้งหลายต้องลุ่มหล ง, งงงงวยไปหมดมุนเมาไปไม่ให้รู้ผิดรู้ชอบรู้ชั่วรู้ดีอะอวิชชาตันหาอุปาทานมันยึด รูปเยืดนามไว้อย่างเหนียวแน่นว่าเป็นตัวเราตัวตนคนสั์เป็นเราเป็นของของเราเพราะเหตุนั้นแหละทำไมเราถึงกลัวตายคนใกล้จะตายมีกลัวตายทำไมอะไรในรูปนามขันห้าของเราตันหาและทิฏฐิมันยึดไว้เจ็บไข้ได้ป่วยนิดหน่อยเอาแล้ว เดือดเนื้อร้อนใจแล้วเอนี่จะถึงตายหรือไม่ตายนะเป็นความยึดยึดถือตัวเราเพราะนั้นรูปนามขันห้าของเราเนี่ยพออายุมากเข้าไอ้ความชราภาพมันมีเป็นอะไรนิดอะไรหน่อยก็เดือดเนื้อร้อนใจมากเป็นทุกข์มากอยากหายอยากสบายเนี่เพราะอุปาทานขันเนี่ยมันยึดรูปนามขันห้าว่าเป็นตัวเราเป็นของของเรา ตัวอุปทานกิเลสนี่เอาออกยากที่สุดเป็นตัวมรคาวรปิดกั้นไม่ให้สัตว์ทั้งหลายได้บรรลุมรคผลนิพพานเพราะนั้นเราจะต้องเอาปัญญาเข้าไปรื้อสัตว์ขนสัตว์ที่ท่านใช้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วเนี่ยพระองค์ก็ตั้งสัจจาพิษฐานว่าจะรื้อสัตว์ขนสัตว์ให้พ้นจากวัตถุ รือสัตว์คนสัตว์ในเรื่ออะไรหรือสิ่งที่เราสําคัญผิดว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลตัวตนเราเขาออกไปให้เขารู้ความจริงว่ามีแต่รูปจะนามนะสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีเพรบะนั้นเรื่องนี้เป็นงานใหญ่งานใหญ่ทําไมถึงเป็นงานใหญ่หละ่ะที่จะรื้อสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถ้าไปรู้รูปรู้นามเนี่ยเป็นงานใหญ่ยากที่สุดเพราะอะไร เพราะว่าเป็นงานอบรมปัญญาที่จะไปแจ้งพระนิพพานจะทำให้แจ้งพระนิพพานเพื่อความพ้นทุกข์แต่ถ้าเราทำงานการนี้จะทำราชการหรือธุรกิจส่วนตัวของเราเองมันเป็นกิเลสอุดหนุนอยู่ผลิตพันฑ์ชิ้นนี้ได้กำไรดีมีผลดีก็ดีมีอยู่ได้ดำรงคงอยู่ได้ รื้อรับราชาการมีเงินดาวเงินเดือ น, นขึ้นมาเลี้ยงชีวิตของเราได้เลื่อนยศถาบรรดาศักดิ์มันอยู่ได้เราทำงานอยู่กับกิเลสแต่ถ้าจะให้เราทำงานเพื่อการเสียสละการละกิเลสเนี่ยยากเพราะนั้นการจะไปพระนิพพานเนี่ยกการทำงานเพื่อละกิเลสในการเจริญวิปัสสนานเนี่ยจึงทำยากไม่เหมือนสมาธิ สมาธิเนี่ยเขามีกิเลสเป็นปัจจัยพอจิตสงบข่มกิเลสนี่วอนไว้แล้วเนี่ยเขาได้ความสุขสุขกายสบายใจเพราะในองค์ฌานมีวิตกวิจารปีติสุขเอกะขะตตใจสงบได้ความสุขเพราะนั้นเขาทำฌานแล้วก็ติดสุขสุขในฌานสบายไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ต้องไป ใช้โนดแผนไทยแผนไท ย, ไ, ทยไม่ต้องไปออกกําลังอะไรกันมากมายกายต่อเขาก็มีความสุขความสบายไอ้ความสุขนั้นกลับไปเป็นอารมณ์ให้แกตันหาแกกิเลสคนชอบสบายกิเลสมันชอบถ้าเราสบายเมื่อไหร่ละกิเลสเข้าอาศัยรูปอาศัยนามนั้นทันทีแต่ถ้าเราไม่สบายเมื่อไหร่ตันหามันเข้าอาศัยไม่ได้ แต่ใครอาศัยล่ะความไม่สบายกายไม่สบายใจของเราโทสะมันเข้าไปอาศัยตัณหามันเข้าไปอาศัยไม่ได้ตัณหามันอาศัยความสุขแต่โทสะนี่ับปัญญาเนี่ยมันอารมณ์เดียวกันอารมณ์เดียวกันโทสะกับปัญญาเนี่ยอารมณ์เดียวกั น, กญญน e. แต่ต้องพิจารณาอารมณ์ให้แยบใครพิจารณาอารมณ์ให้แยบใครแล้วล่ะก็ ปัญญาได้ปัญญาถ้าพิจารณาอารมณ์ไม่แยบใครได้โทสะได้โทสะอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานอารมณ์ทั้งโทสะก็ทั้งนั้นแหละแต่ว่าเมื่อปัญญาเข้าไปรู้ความจริงของรูปของนามแล้วเนี่ยโอ้ธรรมชาติเขาเป็นอย่างนี้ธรรมชาติของรูปนามของใครก็ตามเจอะมีขึ้นมาแล้วมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็ น, น, นอนัตตาเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็ ปัญญามันก็เกิดบอกกล่าวไว้ก่อนว่าการปฏิบัติวิปัสนาธรรมานี่ยิ่งไม่ใช่เป็นการปฏิบัติที่เราได้ประสบความสุขให้รู้ตัวไว้ก่อนถ้าประสบความสุขเห็นการปฏิบัติเป็นสุขแล้วล่ะก็อันนั้นไม่ใช่ทางของวิปัสนาไม่ใช่ทางที่จะพ้นทุกข์ได้ทางที่จะให้พ้นทุกข์ได้ต้องไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้ฐานลมทางนั้น อนนี้ารมณทางร่างแต่ว่าทําไมผู้ปฏิบัติเขามีกําลังใจเขาเห็นรูปนั่งเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์ยืนเป็นทุกข์เดินเป็นทุกข์แล้วอุ้ยไม่ไหวฉันอยู่ไม่ได้ครับกลุ่มจะตายไปไปดูโทรทัศน์ดูหนังฟังเพลงดีกว่าจะมานั่งดูรูปนาไม่มันเป็นทุกข์ยากระระรแต่คนมีปัญญาเขาพิจารณาตอบนี่แหละ พระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยะสาวกต่างๆทั้งหลายก็ดีท่านเดินมาตามทางนี้ทางนั้นเดินมาตามทางนี้ทางนั้นเพราะนั้นต้องสร้างขันติบารมีขันตินี่ความอดทนอดกลั้นต่อความทุกข์ยากต่างๆเพื่อจะเป็นประโยชน์แก่ปัญญาท่านบอกขันติประมังตโปติติขาขันตินี่เป็นตะบะอย่างยิ่งที่จะทำให้บุคคลนั้นพ้นจากทุกข์ได นิพานาานพานนางปรามังนิพพานนิพพานเนี่ยเป็นยอดแห่งความสงบสุขแห่งสันติสุขอย่างยิงย่งคือพ้นทุกข์ต้องอาศัยตะบัตรความเพียรความเพียรกับขันติขันติบารมีวิริยะาบารมีนี่ต้องเป็นปัจจัยด้วยกันสนับสนุนกันเพราะนั้นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานคือการอบรมปัญญา ให้เห็นความจริงของสภาวะธรรมคือนามคือรูปนามรูปที่ไหนละ่ะที่ตัวเราที่เรายึดถือว่าเป็นเรานี่นะต้องดูนามรูปที่ตัวเราไม่ใช่ไปดูที่คนอื่นครับเพราะนั้นเมื่อเราประสงค์จะดูนามรูปที่ตัวเราแล้วล่ะก็อ่านหนังสือได้ไหมอ่านหนังสือแล้วจะรู้ตัวเราได้ไ้ยรู้รูปนามที่ตัวเราได้ไหมไม่ได้ พูดโทรศัพท์จะรู้ติ่ตัวเราได้ไหมไม่ได้นะจึงบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยพูดคุยกันได้ไหมรู้ตัวเราได้ไหมไม่ได้เพราะนั้นก็พึงทราบว่าเวลาปฏิบัติเนี่ยเขาห้ามพูดห้ามคุยห้ามอ่านหนังสือห้ามฟังเทปอะไรต่างๆห้ามฟางหมดทุกอย่างแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ห้ามให้เราเข้าใจให้ถูกต้องว่า เขาป้องกันอย่างนั้นเราไม่ใช่ห้ามแต่ว่าถ้าปล่อยเราไปตามใจของกิเลสนั่นแนหะไปอ่านหนังสือบ้างไปฟังเพลงบ้างฟังเทพบ้างหรือไปสนทนาคุยกันบ้างเสียอารมณ์หมดไม่ได้รูปได้นามจับรูปจับนามในตัวเราไม่ได้เนี่ยจึงเสมือนว่าห้ามเข้าปฏิบัติอยู่คนเดียวกินคนเดียวนอนคนเดียวแล้วเนี่นะ่ะเวลาปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ย ห้ามพูดห้ามคุยห้ามอ่านหนังสืออะไรกบางคนสงสัยออกมาทำว่าทำไมอาจารย์ห้าม อ, าอ่านหนังสือแล่ะเอาคนเราจะไปดูอะไรละ่ะดูรูปดูนามที่ตัวเราเองและไปอ่านหนังสือแล้วจะไปมีเวลาดูรูปดูนามของเราไหมไม่มีฟังธรรมะนี่ดูรูปดูนามของเราได้ไหมไม่ได้ทํากิจการงานต่างๆทั้งหลายเนี่ยเราไปดูรูปดูนามของเราไม่ได้ใช่ไหม นอกจากมีสติว่าจะทําอะไรได้นิดหน่อยแค่นั้นเองว่าจะทําหุงข้าวต้มแกงข้ามีสติไม่งั้นงานงานั้นไม่สําเร็จหรือไหมหุงข้าวก็ข้าวไหมต้มแกงก็แกงไหมเพราะเรามาดูรูปรูนามของเราแล้วมันย้ายอารมณ์มาจากงานที่ทําเพราะนั้นการปฏิบัตินั้นจึงทํากิจาการงานอื่นๆที่บอกว่าในชีวิตประจําวันของเราได้เนะี่ยไม่ใช่อันนั้นได้แต่เพียงมีสติเท่านั้นเอง จะทําอะไรให้มีสติว่าเรากำลังอ่านหนังสืออยู่กําลังทําครัวอยู่กําลังถูบ้านอยู่อะไรต่างๆมีสติทอนนั้นจรงเพื่อจะให้การงานนั้นสําเร็จรูปลุ่งไปด้วยดีแต่ไม่ใช่การงานในการที่จะละกิเลสของตัวเราเป็นการงานที่เพื่อเป็นประโยชน์ในความเป็นอยู่ของเร า, าจะซักผ้าจะอาบน้ําจะถูเรือนเนี่ยจะหุงข้าวต้มแกงนั่นแหะเพื่อเป็นประโยชน์ของตัวเราไม่ใช่เพื่อจะเอากิเลสออกไป เพื่ออาศัยป้อนกิเลสให้ตัวเราถ้าเรามานตสิการไม่ดีนะั่นแหละเราสแสวงหากาิเลสเข้าตัวเราแต่ถ้าเรามานตสิการให้ดีแนละ้วเนี่ยเราทําการงานนั้นเพื่อแก้ทุกข์เราซักผ้านี่เพื่อแก้ทุกข์นะเสื้อผ้ามันสกรปรกเหม็นสาบถ้าเราสวมใส่ไปนั่นแนหะเป็นทุกข์เราซักผ้าซะให้มันสะอาดจะได้สวมใส่ได้ให้มันไม่ได้เป็นกังวลในจิตใจของเราถ้าเสื้อผ้ามันสะอาดแล้วก็ โล่งใจปลอดปร่งรุ่งใจจะหุงข้าวต้มแกงเพื่อรับประทานอาหารเพื่อแก้ทุกข์นักนี่เรามานสิการจะให้ปัญญาเกิดอย่างนี้ได้ทําให้ฉะ น, นั้นแล้วล่ะก็กิเลสเขาก็ตามอาศัยอยู่ด้วยแต่พวกนี้เราโยนิโสได้นิดๆห น, น, น่อยๆเท่านั้นเองจะซักผ้าเพื่อแก้ทุกข์จะหุงข้าวหุงปลาเพื่อแก้ทุกข์อะไรได้ประเดี๋ยวเดียวมันเป็นจินตนาการเป็นความคิดนิดเท่านั้นเอง แต่ว่ามันกันกิเลสไว้ได้บ้างแต่ไม่ได้ล่ากิเลสให้เด็ดขาดลงไปแต่ที่จะล่ากิเลสให้เด็ดขาดลงไปเนี่ยเราต้องไปดูรูปดูนามของเราเพราะนั้นการดูรูปดูนามเนี่ยอยู่ที่ตัวเรานี่เราจึงจำเป็นจะต้องเรียนรู้อะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามเสียก่อนอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามเสียก่อน แล้วรู้จักวิธีการปฏิบัติในการกําหนดรูปกําหนดนามว่านามรูปมันปรากฏให้เรารู้ได้ตรงไหนเราจะไปดูรูปดูนามเนี่ยนามรูปมันมีที่ไหนอย่างไรต้องเข้าใจและเข้าใจวิธีการกําหนดการปฏิบัติเนี่ยไอ้ตัวปฏิบัติมันอยู่ตรงไหนตัวที่เราจะปฏิบัติปฏิบัติทําตามคําสอนของพุทเจ้าตัวปฏิบัติมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเราต้องเข้าใจ เราจะได้ใช้งานในตัวปฏิบัตินั้นถูกไม่งั้นเราใช้งานไม่ถูกเอาอะไรปฏิบัติก็ไม่รู้เนี่ยเราจะได้ใช้งานตัวปฏิบัติถูกเริ่มต้นที่เราปฏิบัติกันเนี่ยตัวใช้งานคืออะไรเริ่มต้นในการทำงานเลยตัวสติตัวสตินี่เป็นตัวแรกเลยเนี่ยเป็นตัวบุกเบิกต้องจะใช้เขาทำงานเนี่ยต้องตั้งสติไว้ก่อนต้องตั้งสติที่ ปัจจุบันอารมณ์ที่รูปที่กำลังปรากฏที่น้มกับางปรากฏเนี่ยและต้องเป็นไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะท่านให้ปฏิบัติตามสติปัฏฐานท่านชี้ที่ตั้งของสติไว้ให้คนมีกิเลสหนาปัญญาน้อยท่านให้ตั้งสติไว้ที่รูปคนมีสติอ่าคนมีกิเลสหนาปัญญากล้าให้ดูเวนามเวทนาคนมีทิฏฐิปัญญาน้อยให้ดูจิต มีทิศที่กล้าปัญญากล้าให้ดูทมทั้งรูปทั้งนามท่านบอกไว้ท่านชี้บอกไว้ให้เหมาะสมแก่จริตของผู้ปฏิบัติอย่างไรคราวนี้เราก็สรุปว่าปลายพุทธกาลแล้ว 2,546 ปีแล้วนับเป็นเลยกึ่งแรกมาแล้วคนกิเลสหนาปัญญาน้อยวัตถุรูปมันเจริญเดี๋ยวนี้ไม่ต้องอะไรเราเห็นด้วยคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยเขาก้าวหน้ามากเด็กไปเล่นกันโอ้โหบางร้านเปิดแน่นเลยทีเนียเด็กไปยืนคอยกันมีคอมพิวเตอร์ไปนั่งเล่นเกมเล่นอะไรกันอินเทอร์เน็ตต่างๆทั้งหลายได้ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอะไรเนอะไรส่วนมากเป็นอารมณ์ของกีเลยเนี่ยแยกเป็นการ์ตูนบ้างเป็นภาพโปภาพเลยอะไรต่าง ๆ, ๆทั้งหลายเนี่ยมากแล้วใครจะไปควบคุมครับนี่แหละ พวกนี้วิทยาการในปัจจุบันนี้มันวัตถุรูปมันจเจริญวัตถุรูปมันจเจริญกิเลสมันก็เพื่องพูตันหาเนี่ยแหละมันงอกงามเพราะนั้นจึงตั้งสมมุติฐานว่าคนในยุคนี้สมัยนี้เนี่ยตันหาจริญกิเลสหนาปัญญาน้อยปัญญาที่จะไปรู้รูปรู้นามเนี่ยหาไม่ได้กี่คนหรอปัญญาน้อย เพราะนั้นคนยุคใดสมัยใดกิเลสหนาปัญญาน้อยเนี่ยท่านให้ดูรูปดูรูปกายของเราเดูรูปกายของเราดูรูปกายแล้วเนี่ยดูพิจารณาีริยาบทเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเราพิจารณาอยรยาบทตามอ่านอยรยาบทของเราเดี๋ยวก็เห็นทุกข์จากเขาจะเห็นทุกข์ก่อนส่วนอ น, นิจจังอนัตตานะั่นยังมองเห็นยากนะ แต่ว่านั่นแหละที่เราจะดูรูปีิรยาบทนั่นแหละเริ่มต้นมันก็ทำลายคณะสัญญาณรู้รูปนั่งไม่ใช่เรานั่งออกแล้วรู้รูปนอนไม่ใช่เรานอ น, อนแต่ไม่ใช่คิดนึกเอาต้องใช้สติสัมปชัญญะเจาะลงไปที่สภาวะของรูปนั่งด้วยความรู้สึกตัวเวลานั่งแล้วก็รู้สึกในอาคารท่าทางที่นั่งออรูปนั่งเขารับรองความรู้สึก เ, กเมื่อไรเราจบความรู้สึกรูปนั่งได้ ให้เรานั่งมันหมดมันออกมันถอนออกไปสัมมาทิฏฐิมันไปขับไล่มิจฉาทิฏฐิออกไปมันก็รู้สึกว่าเป็นรูปนั่งเรานอนรู้สึกในรูปนอนครั้งหนึ่งเรานอนออกรู้สึกในรูปเดินครั้งหนึ่งเราเดินออกรู้สึกในรูปเดินยืนครั้งหนึ่งเรายืนออกไปไอเราเน Cap ี่ยสกายาทิฏฐิเนี่ยมันก็ถูกละเป็นตะทางข้าประหารไปถูกละไปเป็นขนาดขนาดไป เพราะอาศัยปัญญาเราไปตามรู้รูปยิรยาบทตามความเป็นจริงรูปนั่งเป็นรูปนอนรูปยืนรูปเดินมันก็ไปทำลายเรานั่งเรานอนเรายืนเร า, เ, ร า, เ, ราเดินออกไปอันนี้อนุสัยกิเลสอย่างละเอียดมันถูกลากไปแต่ไม่ใช่ทิฏฐิกิเลสถูกลากไปอย่างเดียวนะทั้งอวิชชาทั้งตัณหาด้วยโมหะที่มันปิดบงังไม่ให้รู้รูปรู้รรนามแล้วเนี่ย เขาปิดบังไม่ได้แล้วเพราะปัญญาเข้าไปเจาะลงไปที่สภาวะของรูปรูปอะไรนามอะไรเอาวิชาปกปิดไม่ได้โมหะปกปิดไม่ได้ไอ้ตัณหาที่ไปสำคัญว่ารูปสวยเวทนาเป็นสุขหมดเกิดไม่ได้เนี่ยทั้งตัณหาและทิฏฐิเนี่ยก็ถูกล่าไปเป็นขณะขณะลาไปเป็นขณนะเกิดไม่ได้เนี่ยปัญญาเข้าไปรู้ความจริงมากเท่าไหร่ปัญญามันมีกาลัง สติปัญญามันไปมีกำลังไปเห็นความจริงของรูปของนามเขาว่ารูปนามนั้นเขาเกิดขึ้นเป็นธรรมดาดับเป็นธรรมดาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอ น, น้าตาความเบื่อหน่ายในสังขารเป็นเกิดขึ้นถามว่กความเบื่อหน่ายในสังขารเนี่ยใครเบือ่อเบื่อแล้วเบือ่ออาหารไม่อร่อยดูโทรทัศน์ไม่สนุกเนี่ยไอตัวธรรมะอะไรเบือ่อ โทรศใช่ไหมโทรสัมันเบื่อโอเปลี่ยนเรื่องใหม่ฮะเรื่องนี้เอาเรื่องอื่นดีกว่าไม่เห็นมันสนุกเลยเนี่ยเบื่อเนี่ยโทรศาแต่เบื่อเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสภาพของโทรศัอย่างเดียวนะถ้าเบื่อในรูปนามขันหน้าของเราเนี่ยเบื่อในชีวิตของเราเนี่ยเห็นความจริงของชีวิตเนะี่ยเป็นทุกข์ไอความเบื่อเนี่ยปัญญาปัญญามันไปถอนตัญหาออก ปัญหามันถูกปัญญาถอนออกถึงเกิดความเบื่อหน่ายเห็นไหมฮะเราทานอะไรอร่อยออร่ยเนี่ยพอถึงจุดเบื่อเป็นไงทานต่อไปได้ไหมไม่ได้แต่ยังไม่ถึงโทรศัพท์นะเบื่อแล้วไม่อยากจะทานต่อไปเนี่ยรูปนามขันห้าของเราที่เคยยึดว่าเป็นตัวตนคนสัตว์เป็นเราเนี่ยเรายึดเสมอไปเนี่ยยึดอยู่นี่ผมยังยึดอตอนนี้เจ็ดสิบเจ็ดได้ย่างแล้ว มันจะถึงร้อยหรือเปล่าเอาแค่แปดสิบเราพระพุทธเจ้าก็จะอยู่ถึงหรือเปล่าท่านอีกเข้ามางานคราวที่แรกก็จองกระถินจ่าจองกระถินบอกว่ามีสองพันสองพันห้าร้อยหกสิบนะก็<笑><笑>เอาผมเอาสองพันห้ารอยหกสิบผมก็เอาเอ๊แต่ผมจะอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะบอกสองพันห้า้อยหกสิบนี่ผมอยู่ถึงหรือเปล่าไม่รู้เนี่เน่นะ เรานี่มันยึดกันอยู่ตลอดเวลายึดกันอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ายึดในส่วนของบุญของกุศลนี่มันดีอย่างหนึ่งมันทําให้กุศลอาชินกรรมเกิดเรานึกถึงกุศลอยู่เรืเ่อยๆไปเนี่ยมันก็ทําให้เราเกิดเกิดบุญเกิดกุศลขึ้นมาแต่พวกนี้เป็นอภิสังข์ขันเป็นบุญที่ให้เราต้องเกิดในสุขติภูมนะิน่ะก็ยังดีกว่าไปเกิดในทุกขติภูมินะแต่ว่าที่จะเป็นประโยชน์นี่ต้อง ทำกุศลที่เกี่ยวเนื่องกับปัญญาเราถึงจะได้ปัญญาถ้าทําบุญกุศลที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับปัญญาเราจะได้ปัญญาไหมไม่ได้เขาทอดกระถินกันนี่ทอดกระถินกันเอาไปให้รางวัลแก่นักแข่งเรือนนักแข่งเรือกันเราก็ทําบุญไปเข้าแข่งเรือกันนี่มันไม่ได้ปัญญามันไปได้ความสนุกสนานก็ได้ปัญหาได้ทิฏฐิต่ อ, อไปแต่นั่นแหละ มันก็ช่วยส่งเคราะห์เขาเราเรียกว่าเป็นการช่วยเหลือกิจการงานที่เขาเป็นประโยชน์แต่ในขั้นของโลกียากุสนธรรมดานีนา้แม้การไปสร้างกุติวิหารสร้างวัดสร้างวาะไรกันต่างๆทั้งหลายเหล่านี้โบสถ์วิหารมันก็เป็นกุศลแต่ว่าจะเป็นปัญญาหรือไม่เนี่ยเราต้องพิจารณาเนี่ยบางวัดเนี่ยโบสถ์วิหารจํารุดชุดโจรเนี่ยเขาบอกมา บอกว่ากระถินยังไม่มีคนทอดอีกหลายวัดเขาก็บอกนักศึกษาท่านหนึ่งบอกว่านี่คุณมีสตังคงช่วยหน่อยไม่ได้เลยเป็นประธานวัดละห้าพันห้าพันห้าพันเท่านั้นแหละแต่ประธานไม่ใช่คนเดียวนะโอ้โหประธานเยอะแยะเลยประธานทอดกระถินคนละห้าพันห้าพันเอ๊ะผมว่ามันไม่เป็นกระถิญ น, นะปัประธานมันญะแล้วเกนน่ยแล้วใครเป็นคนที่ถวาย ไ, ไตรจวณละ่ะ จับมือกันเป็นแถวแถวคนละนิดคนละ น, น่อยมันจะไม่เป็นกระถินส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้มันทำลายขนบธรรมเนียมประเพณีไปกรถินนั้นท่านอนุ ญ, ญาตที่จะให้ผ้าแก่บุคคลที่สมควรที่จะได้รับแค่นั้นเองแต่เดี๋ยวนี้เป็นกระถินหาเงินหาปัจจัยเข้าไปบํารุงวัดเกื้อกูลวัดอะไรแต่ถ้าเกื้อกูลวัดที่จะเป็นประโยชน์มีการเรียนการศึกษามีการปฏิบัติธรรมก็น่าจะสนับสนุน น่าจะสนับสนุสนเพราะนั้นก็อันนี้เราจะเห็นได้ว่าการที่เราจะเข้าใจการปฏิบัติในทางพระศาสนานี่ก็คือจะต้องอบ ร, รมปัญญาให้เกิดขึ้นปัญญานั้นให้รู้ความจริงของสภาวะให้เกิดขึ้นทำไมให้เกิดขึ้นลากิเลสของเราเองทั้งกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเมื่อปัญญามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ย ประโยชน์ที่เราจะได้รับคือกิเลสเนี่ยมันถูกละไปตามส่วนละไปตามขั้นตอนของเราคนเคยเสพจุลายยาเมาก็เลิกเสพเคยเล่นการพนันก็หยุดเล่นการพ น, นันนี่เห็นหลายคนนักศึกษาเหมือนกันก่อนนี้บอกว่าผมก็เลงเลงว่าไอ้สองตัวสามตัวคราวนี้มันจะออกอะไรเนี่ยตั้งเลงเลงเดี๋ยวนี้เลิกแล้วว่ามันไม่เป็นสาสรละทาให้จิตใจเราผูกพันอยู่กับอานาจของตัณหาโลภะตัณหา ผูกก็ดีใจเสียผิดก็เสียใจมันไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นสุราใส่บาดพระดีกว่าได้กุศลและไม่ต้องไปคิดว่าจะเสียหายอะไรกันเนี่ได้สบายใจดีกว่าเขาก็ค่อยๆเลิกลากไปแม่เคยเสพสุรายาเมาใครเพื่อนผูงชวนรับประทานเนี่ยเพียงเดียวนี้ผมเลิกแล้วโปรดก็เข้าซะแล้วน่ะโปรดก็เล่าย า, าปลาพิ้งต่างๆทงๆัทงๆ้งหลายไม่เอากันเพราะมันเป็นเหตุที่จะนําให้ชีวิตเสื่อมไป เลกลัวแล้วก็ไปแนะนำให้เขาเลิกบัตแต่เขาไม่เชื่อเขาก็เสพก็ต่อไปคนเชื่อก็เออเขาปล่อยศรัทธามาเขาก็ได้ประโยชน์แต่เขาไม่มีศรัทธามาเขาก็ไม่ได้รับประโยชน์วันนั้นการที่จะให้บุคคลเข้าหาธรรมะตั้งอยู่ในธรรมเนี่ยจึงยากก็อยู่ที่การศึกษาเล่าเรียนกับการปฏิบัติเรียนไปเพื่อไปปฏิบัติเพราะนั้นการเรียนนี่ท่านบอกต้องเรียนให้ถูกนะ เรียนให้ถูกการปฏิบัตินี่ก็ปฏิบัติให้ถูกถ้าเราเรียนผิดแล้วได้มิจฉาทิฏฐิการเรียนเนี่ยมันเป็นดาบสองคมถ้าไปเรียนผิดเนี่ยจะเป็นครูบาอาจารย์มิจฉาทิฏฐิสอนให้เรารู้ผิดก็ตามเราเลยผิดไปตามอาจารย์หรือเราไปคิดความเห็นผิดของเราเนี่ยไปค้นคว้าพระใจพิดกเนี่ยแล้วเรารู้ไม่เท่าถึงเนื้อความอันลึกซึ้งในพระใจพิดกนั้นเราก็เห็นผิดไปได้ เห็นผิดไปได้เหมือนกันเนีเช่นอย่างที่ว่าเนี่ยว่าเห็นสักว่าเห็นนะเด้ ย, ยินสักเท่าได้ยนินน่ะเนี่ยรู้กลิ่นก็สักว่ารู้กลิ่นริมรถก็สักว่ารู้รถนะอย่าไปยึดมัน่นถือมั่นในสิ่งใดๆทําใจให้ว่างเท่านั้นเองนี่เรียนแล้วเข้าใจผิดคิดผิดคิดว่าไม่ต้องไปรู้รูปรู้นามเราทําใจให้ว่างเท่านั้นเองพอแล้วนี่เอาผลมาทําจิตที่เขาไม่เกาะเกี่ยวในอารมณ์ต่างๆทั้งหลายเนี่ย มีอยู่บุคคลเดียวคือพระอาหารหันต์ท่านับอารมณ์เป็นฉลังคูเบีขาแล้วไม่ได้ยินดียินไร้ในอารมณ์ก็เรายังเป็นปุถุชนอยู่กิเลสยังเต็มแพร่เลยจะเอาธรรมะของพระอาหารหันต์มาคิดเนีไม่ได้ผิดทําให้จิตว่างสออาดสว่างสงบอะไรนียไม่ได้นั่นจิตของพระอาหารหันต์ท่านเป็นได้ท่านไม่เกาเกี่ยวกับอํานาจของอาสวะกิเลสใดๆแต่ท่านละกิเลสหมดสิ้นไปแล้วของเรานี่ กิเลสมันยังเป็นเจ้าของใจครอบองำคิดใจเราอยู่มันยังหวั่นไหวไปตามอารมณ์ของกิเลสอยู่เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเราต้องคอยโยูนิโสกันกิเลสกันไว้ถ้าเป็นพระอราหันต์เมื่อไหร่ไม่ต้องไปโยนิโสอโยนิโสมันไม่มแีแล้วรับรู้อารมณ์เป็นกลางเลยเป็นฉชลังคูเบกขาวางใจไม่ได้ยินดียินร้ายากับอารมณ์นั่นเลยแต่ของเรานี่ยังหวั่นไหวอระเหตุนั่นแหละการปฏิบัติ เราเข้าใจเรื่องวิปัสนาพือการอบรมปัญญาให้ปัญญานั้นสามารถรู้สภาพธรรมตามความเป็นจริงของนามของรูปที่ปรากฏอยู่ในตัวเราเนี่ยจนกระทั่งแยกรูปแยกนามออกจากความเห็นผิดได้ว่าเรานั่งเรานอนเรายืนเราเดินหรือเราม่วงเราฟุ้งเราสงบนี่แยกรูปแยกนามออกไปได้ไม่ใช่เราพอแยกรูปแยกนามออกไปได้แล้วก็เห็นปัจจัยของรูปของนามรับ รูปนี้เกิดขึ้นจากปัจจัยอะไรนามนี้เกิดขึ้นจากปัจจัยอะไรเขาจะเห็นปัจจัยที่ทําให้เกิดก่อนเนี่ยอย่างเสียงนกร้องปุ๊บเนี่ยเรารู้แล้วเนี่ยไอ้นามได้ยินเนี่ยมันมาจากสัตวรูปเสียงมกระทบผู้เราแเราขยับเคยื่อนเคลื่อนไหวตัวเราเองเนี่ยเนี่ยไอ้นามมันสั่งให้ขยื่นเคลื่อ น, นไหวนามอะไรที่มันสั่งกิเลสมันสั่งหรือปัญญามันสั่งให้แก้ทุกข์ ถ้าปัญญาเขาสั่งให้แกทุกข์ให้แกทุกข์มีกิเลสสั่งแต่เผลอไปเปลี่ยนไปแล้วอ้าวกิเลสเขาใช้แล้วไม่ใช่ปัญญาใช้เนี่ยจะเข้าใจเข้าใจเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงเคลื่อ น, น, นไหวยาวบทของเราเนี่ยถ้าสติปัญญาเราตามรู้ตัวทักุกร้อมอยู่เสมอแล้วละก็เราจะเห็นว่ากิเลสในใจใจของเราเนี่ยโอ้ยมันกำกับบังคับบัญชามากมายไกาของ เ, เหลือเกินแต่ถ้าเรารู้เท่าทันเขาเข้ า, ข า, ขาแล้วละก็เ้าหมดไปเองไม่ต้องไปทําอะไรเขาเลย เขาให้รู้เถอะโลภะจิตความโลภเกิดขึ้นในใจงเราก็รู้โทสะเกิดขึ้นก็รู้ให้รู้เท่านั้นแหละเขาหมดไปด้วยอาศัยปัญญานี่ยแหละไปขับไล่กิเลสต่างๆทั้งหลายปัญญาเขาไปทําลายโมหะทําลายอาวิชชาอาวิชชาถูกทําลายแล้วเนี่ยเขาไปสนับสนุนโลภะโทสะให้เกิดขึ้นไม่ได้อวิชชาเนี่ยเขาเป็นปัจจัยให้ให้แก่กิเลสทั้งหลายแหละแต่ถ้าเราไปรู้ความจริงแล้วลราก็กิเลสก็นิ่งสงบกล้ครับ นี่เป็นอันประเหตุนั่นแหละตัววิปัสนาปัญญาเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆแล้วเราจะได้มาเองตัววิปัสนาปัญญาเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆแล้วเราจะได้มาเองหรือไม่ใช่ว่าเราศึกษาอ่านตำรับตำราแล้วเนี่ยจบนักธรรมเอกจบป ร, ริยนเอกจบป ร, ริญญาเอกวิปัสนาเกิดไหมไม่เกิด ยังไม่เกิดเนะพราะไม่ได้ดูรูปดูนามต้องดูรูปดูนามดูรูปดูนามแล้ววิปัสสนาปัญญาจะเกิดหรือยังยังต้องให้เวลาเขาต้องอาศัยอบรมให้สติปัญญา น, นั่นแหะเขามีกาลังแก่กล้าถ้าสติอ่อนปัญญาอ่อนยังไม่เห็นรูปเห็นนามนี่ต้องอาศัยการปฏิบัติต้องอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นอีก แล้วก็ไม่ใช่วันสองวันอย่างคนที่มาปฏิบัติเนี่ยจะรู้เลยถ้าเรามาสองวันสามวันเนี่ยอารมณ์ของกิเลสที่บ้านมันเนี่ยตามมาอยู่เลยอย่างการเขาออกไปไม่ได้มันจะทำให้ฟุ้งไปคิดถึงที่บ้านเนีคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงนี่หรือถ้าการงานยังตกค้างอยู่ยังมีค้างอยู่เนี่ยเอาละมันจะเป็นปรารบเป็นปริพดในกรรมในการงานของเราที่ยังค้างๆอยู่เนี่กิเลสมันติดตามมาทวง ให้กลับกลับบ้านเธอไปทำงานเธอมันกลับตัวเพราะฉะนั้นใครจะมาได้เนี่ยต้องขอลาขณนะขอลาใครละ่ะขอลากิเลสนะขออนุญาตลาไปอบรมกรรมฐานาสักสิบสองวันเธอเนี่ยบางคนบอกสิบสองวันแล้วเนี่ยเออไม่ได้ฉัแล้วฉันได้ห้าวันแค่นั้นนะนะถามว่าใครบอกได้ห้าวันนะ่ะเราบอกหรือกิเลสมันบอก กิเลสมาบอกเอาแค่ห้าวันแล้วอย่าไม่เอาเลยไว้เขาหน้ามาใหม่ดีกว่าเนี่ยมีอย่างนี้ก็มีนะแล้วไม่มีธุระผ่าฟังอะไรหรอกแต่กิเลสเขาบอกเอาแค่นั้นก่อนเนี่ยเขามีขอบเขตอยู่เพราะนั้นบางคนขออนุ ญ, ญาตกิเลสมาแล้วกิเลสให้มาแล้วแหละอยู่ไม่ถึงสิบสองวันนี่อยู่ไม่ถึงแล้วนะหมายถึงแล้วมันมีเหตุอ้าวตายจริงยาที่เอามามันหมดแล้ว ต้องกลับไปแล้วสิยาหมดแล้วไม่เป็นไรโทรศัพท์มีบอกทั้งบ้านรู้ไหมโอยไม่มีใครรู้จักไเลยฉันเก็บไว้เฉพาะที่นี่ต้องไปให้หมอสัตว์่ะก็เลยจบกันเลยนะเลยต้องไปเราก็ไม่ห้ามไม่ห้ามไกันเราะมีความจําเป็นนนะเคยดูเธอไอ้กิเลสมันจะใช้เราทุกแง่ทุกมุมที่เข้าใจ้แลนี่ถ้าเรารู้ตัวทั่วพร้อมเราแล้วเราจะเห็นว่าไอ้กิเลสแต่และตัวละตั ว, ว, ตวนี่มันโผล่หน้ามาสลอนสลอนสลอนทีเดียว มัจะชนชักให้เราเลิกปฏิบัติเลิกกาหนดอารมณ์ต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เพราะฉะนั้นจึงว่าการปฏิบตัติวิปัสสนากรรมฐานนีเป็นเรื่องยากยิ่งกว่าเขียนครบขึ้นภูเขาต้องอาศัยความเข้าใจต้องอาศัยความสํารวมอินทรีย์และต้องวางใจตามรู้รูปนามตามความเป็นจริงครับไปอยากรู้ก็ไม่ได้เราปฏิบัติเนยจ ะ, ป, ะปฏิบตัติดูรูปเดินยืนนั่งนอนเนี่ยจะดูรูปนั่งจะไปเกรงรูปเพื่อจะ ให้สติตั้งมั่นอยู่รูปที่เกรงก็ไม่ได้ปล่อยไปธรรมตาอ้าเขาฟุ้งไปแล้วทํำยังไงจะไปเพ่งจิตจะไม่ให้ฟุ้งก็ไม่ได้ให้อยู่กับรูปนี้ไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะบังคับบัญชาเขาไม่ได้ต้องปล่อยไปตามธรรมชาติของเข า, าแล้วเวลาเขาฟุ้งไปเผลอไปทําอยังไงก็เราฝึกหัดสติไปในตัวเนี่ยแหละพอเผลอไปฟุ้งไปเผลอไปเรารู้ไหมพอเริ่มรู้นะ่ะสติเกิดแล้ว บอกไม่รู้เลยเผลอไปทั้งชั่วโมงเครึ่งทองชั่วโมงมันไปคิดอะไรต่ออะไรต่อเรื่องกันไปเรื่อยไปไอเรื่องนี้จบแล้วไปต่อเรื่องอื่นไปต่อเรื่องกันไปเรื่อยไปในบางทีไอเรื่องเดียวกันเนี่ยมันมันรู้แล้วกลับมาเดี๋ยวไปคิดอีกรู้แล้วกลับมาเลยคิด เ, เพราะอารมณ์นั้นมันผูกพันจิตใจของเราผูกพันจิตใจยิ่งมีคนเจ็บไข้ใดป่วยที่บ้านเอ๊ไม่รู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวก็พุ่งถึงคนป่วยอ่ะมีสติก็เลยเยลยิกไเดี๋ยวไปอีกราง มันมีปริโภ o t ์มันมีปริโพ ooth ก็เรียกปริโภ o น์มันมีอารมณ์ที่ท้ทายเรากังวลใจแล้วมันก็ดึงเจตใจของเราออกไปเพราะฉะนั้นคนที่จะเอาชนะกิเลสต่างๆเหล่านี้ได้เนี่ยต้องปลดเรื่องปริโภ o t h ต่างๆทังๆ้งหลายนี่ออกปลดภาระกังวลต่างๆทังๆ้งหลายออกปรจากใจของเราตอนนี้ขอโอกาสขอเวลาที่จะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าตให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ให้มีสติสมัมปัคัญญารู้สภาวะที่เป็นรูปอะไรนามอะไรตามความเป็นจริงขอโอกาสตั้งอยู่ตามคําสอนของพระเจ้าไนยเถะเนี่ยเราต้องสร้างศรัทธาสร้างวิริยะให้มีกําลังสร้างความเพียรให้มีกําลังไม่งั้นประเดี๋ยวจะขอผัดไปรอพระศรีอานอีกแหละต่อพุทธเจ้าองค์นี้ยังไม่เอาเนี่ยอย่างนี้ก็เสียประโยชน์ไปดฉะนั้นต้องตั้งความเพียรพระเหตุนั่นแหละ การที่เราจากเจริญวิปัสนากรรมาฐานนี่เราก็เกริ่นกล่าวกันพอสมควรแล้วว่าการเจริญวิปัสนากรรมาฐานนี่จะต้องเข้าใจเสียก่อนว่าเจริญวิปัสนากรรมาฐานนี่เขาทํางานอะไรกันให้เข้าใจถูกต้องเสียก่อนก็ได้ตั้งหัวข้อไว้เราเรียกว่าเป็นปัญหากรรมอยู่แปดหัวข้อด้วยกันเอามาอารมณ์ของวิปัสสนานั้นได้อี่ หัวข้อที่สี่ว่าทำที่เป็นอุปการะต่อการเจริญวิปัสนากรรมฐานมีอย่างไรข้อห้าทำที่เป็นอุปสรรคคือเป็นเครื่องปิดบังไวลักษ์นั้นได้แก่อะไรข้อหกว่าการเจริญวิปัสนากรรมฐานจะต้องทำอย่างไรแล้เกี่ยวข้องกับสติปัฏฐานนั่นแหละข้อเจ็ดสติปัฏฐานคืออะไรแล้วเราเจริญสติปัฏฐานเฉพาะในกายานุปัสนาสติปัฏฐาน เต่เพาะในอิริยาบถสอบพระเนี่ยพิจารณาอิริยาบถเนี่ยจะทำยังไงทั้งหมดอารมณ์ของสติปัฏฐานทั้งหมดมีสี่สิบสี่อารมณ์แต่ที่สำนักเราเนี่ยเอามาอารมณ์เดียวเท่านั้นแหละเอาอิริยาบถสอบ พ, ะอพระเฉพาะอิริยาบถสอบพระจะถามา่าทำให้แจ้งพระนิพพานได้ไหมได้ําให้พ้นทุกข์ได้ไหมได้ไม่ต้องเอาหมดเอาหมดทั้ง ทั้ง44ละหรือต้งเอาหมดสองสัญญางไม่ต้องอย่างใดอย่างหนึ่งก็สามารถที่จะไปถึงพรนิพพานได้ในีิริยาบทพร ะ, พระดูรูปเดินยืนนั่งนอนเราอย่างเดียวเท่านั้นนะไปถึงได้อ่าพระอา น, นุ์ก็รู้อิริยาบทรู้อิริยาบทท่านบารรลุมรรคผลนิพพานเพราะอาศัยรู้ียริยาบทมีหลายท่านที่อาศัยีิริยาบทเนี่ยบรรลุมรรคผลนิพพานได้มากเหมือนกันเพราะฉะนั้นในประการแรกบอกว่า วิปัสน า, านี่คืออะไรก็พึงทราบว่าวิปัสนานั้นเป็นชื่อของปัญญาของปัญญาที่ไปเห็นนามรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาาัตตาเป็นชื่อของปัญญาปัญญาก็ไปเห็นนามรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาาัตตาคราวนี้ก็พึงทราบชนิดหนึ่งว่าในพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านจัด ปัญญาไว้ในสัมมาทิฏฐิสุดว่าด้วยความเห็นชอบเห็นถูกไว้หกอย่างปัญญาในสัมมาทิฏฐิสุดมีหกประการแต่ปัญญามีแยะจะเอาเฉพาะที่แสดงไว้ในสัมมาทิฏฐิสุดว่าหกอย่างหนึ่งกรรมสักตาสัมมาทิฏฐิรู้เรื่องกรรมรู้เรื่องผลของกรรมปัญญาอันแรกที่พระพุทธเจ้าให้เราทราบเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรม กรรมคืออะไรท่านบอกเจตนาหังพิกขเวกรรมมังวตามิไปดูกอ่อนพิสูจทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนานั่นแหละคือกรรมบุคคลที่จะกระทํากายกรรมวิมีกรรมมโนกรรมนี่ต้องมีเจตนาเป็นตัวไปกระตุ้นไปทําำมีทั้งกุศลกรรมอกุศลกรรมฌานฌานสมาทิฏฐิฌานอาพวกฌานพวกธรรมฌาน ทำฌานชอกระเชอสละ อ, อนูฌานสมาธิทิพวกทำกจิตให้สงบทำสมถะสมาามได้รูปฌานรูปฌานข่มกิเลสนีวอนไว้นี่ก็เป็นความเห็นถูกเหมือนกันเพราะงั้นจิตเราฟุง้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆก็ข่มเอาไว้เป็นฌานสมาธิทิส่วนประการที่สามเนี่ยวิทัาศสนาสมาธิทินี่เป็นปัญญาโดยตรง ที่จะต้องทาให้เกิดขึ้นทําธุระในพระศาสนาเนี่ยต้องอบรมให้วิปัสสนาสัมมาทิฏฐิเกิดสัมมาทิฏฐิฌานสัมมาทิฏฐิวิปัสสนาวิปัสสนากรรมะกรรมะสกตาสัมมาทิฏฐิรู้กรรมรู้ผลของกรรมทำดีได้ดีทำช่วยได้ช่วยเราฆ่าสับดาจิตวิิตเราทำร้ายเขาเราก็อายุสั้น เรารักษาศีลก็อายุยืนได้รับความสุขไม่ต้องไปรับโทษภัยทางอาญาต่างๆทงั้งหลายส่วนวิปัสสนาสมาธิจิตในปัญญานี้ไปเห็นความจริงของรูปนามเห็นรูปนามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นรูปนามเกิดดับเห็นเกิดดับแล้วก็รู้ว่ารูปนามนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นแล้วต่อไปปัญญาในมรรค ปัญญานี้เข้าไปแจ้งปรนิพพานเลือกมรรคสมาทิฏฐิมรรคสมาทิฏฐิเนี่ยไปแจ้งปรนิพพานพร้อมกันกับประหารอนุสัยกิเลสละมิจฉาจิติละวิจิกิจฉาละโทสะละกามราคะกามราคะอนุสัยรู้จักในการทําจิตให้สงบทําสมาธินั่นแหละพวกฤาษีชีพายคอนพระพุทธเจ้าเขาก็รู้จักกันะทําจิตให้สงบ แต่ปัญญาอันนี้เนี่ยไม่พ้นทุกปัญญาที่จะพ้นทุกได้ต้องเป็นวิปัสนาสมา ธ, ธิิไปเห็นความจริงรูปนามในตัวเราเนี่ยเห็นความเกิดขึ้นรดับไปครับเดี๋ยวนี้เขาก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลานะแต่เราไม่ได้ดูครับถึงดูก็คงไม่เห็นนะนดูก็คงไม่เห็นนเพราะอะไรเพราะปัญญาเรายังไม่คมยังไม่แหลมคมเขาเกิดดับของเขาอยู่ตลอดเวลา ปัญญาของเรายังไม่ปลอดภัยจากกิเลสยังถูกกิเลสครอบงำอยู่เราก็เลยยังไม่เห็นต้องหลีกจากหมู่คณะไปไปอยูคนเดียวนะไปพิจารณาสังขารของเรามีรูปมีนามเป็นอารมณ์อยู่ต่อเนื่องกันเป็นประจานั่นเราจึงจะสามารถเห็นรูปนามนั้นมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมาดาเราจึงรู้ว่ารูปนามขันหานั้นมันไม่มีสาระมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา เราจึงเกิดความเบื่อหน่ายในสังขารถึงจะแจ้งพระนิพพานได้แจ้งพระนิพพานมัตสัมมาทิฏฐิก็เกิดปัญญาไปเห็นนิพพานก็นไถยถอนอนุสัยกิเลสละเป็นสมุเทเฉดปหารได้เป็นอย่างๆไปไม่ได้ละทีเดียวทั้งหมดอนุสัยกิเลสเจ็ดอย่างกามราคานุสัยภาวะราคานุสัยทิฏฐานุสัยปฏิคานุสัยวิจิกิจฉานุสัยกับ มานานุสัยปจเวกขณะสมมาทิฏฐิพิจารณาปจเวกนี้แปลว่าวพิจารณามอแมงกาดมอแมงกาดคอควายอมักหรือมอรอหันก็ได้ถ้าเป็นภาษาสันสกฤตใช้อมอรอหันว่ามักถ้าเป็นภาษาไทยก็มอแมงกาดคอควายเป็นมักมักฆ์รูปรูปนามเขาไม่เที่ยง แล้วเราก็าไปเห็นเขาปัญญาเขาไปเห็นเจ้ารูปน้ําเขาไม่เที่ยงเราไม่ได <ER ้ไปเราไม่ไปทําให้รูปน้ําไม่เที่ยงนะรูปน้ำเขาเป็นธรรมชาติเขาเขาเกิดดับไม่เที่ยงของเขาอยู่แล้วแหละแต่เรามองไม่เห็นเขาเนี่ยเดี๋ยวนี้เราแก่ลงทุกวินาทีเนี่ยนะฮะมันเกิดดับเสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปเรามองไม่เห็นเขาน่าไม่เห็นหน้าอ้า ก็ Joker, รูปนามเรายังไม่รู si. ้จักเลยเดี๋ยวนี้นะรูปนามเป็นยังไงเรายังไม่รู้จักเลยต้องไปรู้รูปรู้นามก่อนไอตอนนี้เราไปรู้รูปนั่งรูปนั่งก่อนเดี๋ยวรูปนั่งปวดเมื่อยเป็นทุกข์แล้วต้องทํายังไงนะฮะไอเปลี่ยนนี่แหละไม่เที่ยงเราถึงจะเห็นแต่ความไม่เที่ยงเห็นตอนเปลี่ยนนี่โอ้ยังยังไม่เห็นจริงๆหรอกยังตามรู้ตามคิดนึกเขาจะไงถ้าเห็นความไม่เที่ยงต้องเห็นในขณะที่นั่งอยู่นั่นนะ อ่าไม่ต้องเปลี่ยนในรูปนั่งเขากระพริบเขาเกิดดับอยู่เรื่อยไปปัญญาคมถึงขนาด น, นั้นถึงจะเห็นรูปนามนั้นเขาเกิดดับอยู่ในตัวเขาเองนะพอเกิดดับนี่เราจะรู้ได้ยังไงก็เราเห็นรูปมีอยู่พอรูปนั้นมันหมดไปใจหายวับแล้ะหวดไปก็สะดุ้งละเอ๊ะมันเคยมีแล้วมันไปไหนหมดไปพุบเดี๋ยวมันมาใหม่อีกล่ะเนี่ยเราก็เห็นความจริงนันมันก็กระชากความรู้สึกที่เรายึดถือรูปนามกันหน้าไว้ ให้ใคลายออกมาเขาเรียกว่าสํารอกกิเลสออกมาได้เห็นไม่เที่ยงพบมันก็สํารอกไอความยึดมั่นถือมั่นในกิเลสให้ละคลายออกส่วนผลสมาธิินั่นเป็นปัญญาที่เสวยนิพพานอารมณ์นิพพานอารมณ์ก็อารมณ์ที่ว่างจากขันว่างจากกิเลสนั่นแหละแล้วก็มีนิพพานเป็นอารมณ์ท่านบอกว่าเป็นสันที่สุขอให้อสภาพความพ้นทุกข์มันเป็นอย่างนี้เอง พ้นทุกข์สันติสุขก็ ค, คือความพ้นทุกข์นั่นหลไม่มีทุกข์อยู่ไม่ใช่สูงเพราะการสเสวยกามอารมณ์หรือไม่เฉพาะฌานสุขสุขใจไม่ใช่อย่างนั้นเพราะความหมดทุกข์เป็นอย่างนี้เองนิพพานนี่เป็นธรรมที่สิ้นทุกเรารู้อ๋อไอ้ทุกข์จะหมดไปเพราะไม่มีรูปนามขันธ์ห้าเป็นอารมณ์นั่นแหละมาถึงก็ไปแจ้งนิพพานส่วนปัจจเวคขณะสมา ธ, ธิก็ออกจากมรร มรรค ก, กิจิสิแล้วเนี่ยเพราะทำกิจในการประหารกิเลสก็ไอ้ใจก็ตามรู้ทีเดียวตามรู้ว่ามรรคจิตเกิดขึ้นกับเราแล้วผลไอจิตเกิดขึ้นกับเราแล้วนิพพานเกิดขึ้นกับเราแล้วเนี่ยจะรู้พื้นฐานนี้ก่อนแล้วต่อไปถ้าศึกษาละเอียดกิเลสอะไรที่ละได้แล้วกิเลสอะไรที่ยังเหลืออยู่นี่จะรู้ด้วยพอโสดาปติมรรคในละทิฏฐิละวิธิกิจช้าออกแล้วถ้าทันทีมีปริยัต มั่นคงในการศึกษาแล้วก็จะรู้สิกิเลสอะไรที่ละได้แล้วแต่ท่านที่ไม่ได้มั่นคงในปริยัติเนี่ยท่านไม่ได้ไปจํำตำรับําราไว้เนี่ยท่านก็รู้เพียงมรรคจิตผลรรจิต น, นิพพานอารมณ์สามอย่างเนี่ยรู้อย่างใดอย่างหนึ่งในสามอย่างเนี่ยก็ถือว่าปัจจ เ, เวคขนาดได้พิจารณาแล้ว่ท่านบนรรลุแล้วท่านบนรรลุแล้วเป็นพระ อ, อริยะบุคคลเนี่ยเข้าไปแจ้งพระนิพพานแล้ว แต่ถ้ายังไม่มีปจัจจเวทขณะออกมาให้ตรวจสอบยังไม่มีใครรับรองปจัจจเวทขณะนี่เป็นตัวรับรองรับรองความสําเร็จผลของบุคคลผู้นั้นได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยจนบรรลุธรรมแล้วมีตัวปัญญาของเราเองเนี่ยไม่ต้องให้คนอื่นตัดสินปัญญาของเราเห็นมรรคจิตเกิดผลดจิตเกิดเห็นนิพพานเป็นอารมณ์ปัญญานะั่นแหละเป็นผู้ตัดสินผลสําเร็จจากการปฏิบัติของเราไม่ต้องไปตั้งคณะกรรมการให้ปริญญาให้อะไรจ ผู้ปฏิบัติเองเนะเห็นเอ ง, เองรู้เองเห็นเอ ง, เองมรรคจิตเกิดผลแลจิตเกิดต่อไปเนี่ยเป็นอากาลิโกเสร็จสิส้นวิถีจิตแล้วเป็นปัจจเวคขณะมาพิจารณาอ๋อเราถึงแล้วมรรคจิตผลจิตนี่โสดาปณิตมรรคเกิดขึ้นกับเราแล้วเดี๋ยวนี้เราเป็นอริยบุคคลขั้นพระโสดาบันบุคคลแล้วตัวเราเองรู้ไม่ต้องให้ใครมาบอกแต่ว่าคนที่เคยเป็นอริยแล้วรู้ได้ พอสนทนากันกพราพอรู้ได้ท่านไม่ใช่คนธรรมดาแต่ถ้าผู้ทุชนไปถามพระอริยะก็ไม่รู้นะเหมือนใครบอกหลวงตามหาบวัวเป็นพระหลานเลยเราไม่ใช่พระหลานเราไม่รู้เราไม่รู้เหมือนกันนี่นะฮะเรารู้ไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นอัน เ, เพราะนั้นอันแรกความหมายของวิปัสสนาเนี่ยบอกเป็นชื่อของปัญญาก็เป็นประเภทที่สาม วิปัสนาเนี่ยเป็นชื่อของปัญญาปัญญาที่ไปรู้ไปเห็นอะไรเห็นนามรูปในตัวเราเนี่ยเห็นรูปนามไม่เที่ยงหรือเห็นเป็นทุกข์หรือเห็นเป็นอนัตตาเรียกว่าเห็นไตรลักษณ์เห็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะไม่ใช่เห็นทั้งสามอย่างเห็นไม่เที่ยงหรือเห็นเป็นทุกข์หรือเห็นเป็นอนัตตา เราเรียกว่าลักษณะสามประการของสังขารธรรมรูปนามขันห้าของเราเนี่ยมันมีลักษณะอยู่สามประการตรงไหนละ่ะตรงขนาดที่ดับมีอยู่แล้วดับไปเนี่ไม่เที่ยงมีอยู่แล้วดับไปเนี่ทนอยู่ไม่ได้มีอยู่แล้วดับไปเนี่ยบังคับบัญชาเขาไม่ได้ก็แล้วแต่ท่านบอกว่าแล้วแต่ภูมิปัญญาของบุคคลถ้าอบรมศีลมามากจะเห็นอานิ จ, จังอบรมสมาธิมามากเห็นทุก อบรมปัญญามากเห็น อ, อนัตตาก็แล้วภูมิปัญญาเขาแต่ละบุคคลใครที่เคร่งครัดรักษาธรรมวินัยดีแรงกล้าด้วยศีลมันเห็นอานิจังใครที่ทําฌานทําสมะถะกรรมฐานมามากจเจริญวิปัสนากรรมฐานแล้วเนี่ยเห็นรูปนามดับไปเนี่ยเห็นทุกเห็นทุกขงังเห็นความทนอยู่ไม่ได้ส่วนใครอบรมปัญญามามากก็เห็นดับไปปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเา่า เห็นสภาวะธรรมเขามีอยู่ธรรมดาดับไปเป็นธรรมดากันบางคัาบัญชาเขาไม่ได้นี่อันใดอันหนึ่งก็ตามเรียกว่าใจลักแล้วเห็นอย่างนี้แล้วมีประโยชน์มากเพราะเขาจะเป็นปัจจัยให้แก่อันที่สี่มักคสมาทิฏฐิถ้าวิปัสสนาปัญญาไม่เกิดมักคสมาทิตฐิก็ไม่เกิดเหมือนกันเกิดไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นวิปัสสนา สัมมาทิฏฐินี่แหละจะเป็นปัจจัยที่จะให้เข้าไปแจ้งปณิพานให้ปัญญาแจ้งปณิพันธ์แล้วประหารอนุสัยกิเลสได้เป็นสมุทเทตประหารแล้วก็มรรคสัมมาทิฏฐินี่แหละก็จะเป็นปัจจัยแก่ผลสัมมาทิฏฐิทันทีที่มรรคจิต ด, ดับไปผลวิจิตก็เกิดขึ้นไม่มีระหว่างขั้นเป็นอากาลีโกผลจิตก็เสเวยนิพานเป็นอารมณ์แต่ไม่ต้องไปทําจิตประหารอนุสัยกิเลสใดๆแล้ว เหมือนเราเสร็จกิจแล้วก็ เ, รเปรียบเทียบท่านเปรียบเทียบเหมือนพระราชาที่ไปปราบอริราชศัตรูไปปราบพวกกบฏราบคาบแล้วท่านก็อยู่พักอยู่ในพระนคร น, นั้นดูความสงบร่มเยน็นผลและจิตก็คล้ายๆกันแต่ถ้าในขณะปราบศัตรูนั่นเป็นมรทำจิตในการทหารขัสุคือกิเลสส่วนปัจจเวคณะวิถีนี่ในปัจจเวกขณะสมาธิเนี่ ย, ร, ยรับรองผลงานที่ท่านได้ทำ มรรคจิตเราสำเร็จแล้วโสวดาบันปิมรคได้เกิดขึ้นแก่เราแล้วนะความเห็นผิดหมดความวิจิกิจฉาสงสัยหมดไม่มีแล้วแก่จิตใจของเราแ ล, และจะไม่เกิดขึ้นอีกเลยนี่เป็นสมุทเจตปรารหันจริงที่เคยมีแล้วหมดไปโดยเด็ดขาดนี่เป็นวิปัสสนาสมาทิฏฐิเข้าไปรู้รูปรูนามนั่นเองไม่ใช่ไปรู้สิ่งอื่นปนัญญาวิปัสสนานี่จะต้องอาศัยรูปนามเป็นอารมณ์ ส่วนในประการที่สองบอกว่าวิปัสสนามีประโยชน์อย่างไรเราอบรมให้วิปัสสนาปัญญาเกิดแล้วเนี่ยประโยชน์ของวิปัสสนาบอกเบื้องต้นเนี่ยทาลายวิปลาสธรรมสี่ที่เป็นความสำคัญผิดเห็นรูปนามขันธ์ห้าด้วยอานาจของตัณหาและทิฏฐิ น, นมีสี่อย่างด้วยกันคือสุภาพวิปลาสถ้าเราพิจารณาดูกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน พิจารณาดูรูปกายดูไปดูมาเราไม่เห็นความเป็นอาสุภะกลับไปเห็นรูปกายเราวนี่เป็นของสวยของงามไปอันนี้วิปราชแต่ความจริงรูปกายของสัตว์ของบุคคลทั้งหลายเนี่ยเป็นของไม่สวยไม่งามเลยเป็นอาสุภะต้องชำระล้างต้องทำความสะอาดกันวันละหลายๆเวลานาทีเลยทีเดียว มันเป็นปฏิกูลทั้งนั้นน่ะเป็นปฏิกูลเหงื่อใครต่างๆทั้งหลายมันก็อยู่เกิดครับแต่ว่าเราไปเห็นเป็นความสวยความงามเนี่ยวิปลาสอะซึ่งความเป็นจริงแล้วก็เป็นของไม่สวยไม่งามรูปกายของเราเต็มไปด้วยเหงื่อใครน้ำเหลืองน้ำหนองอะไรมากมายกายกองเลยจต่ใครเห็นเป็นของสวยของงามเนี่ผิดวิปราสอะเห็นเวทนาเป็นสุขสุขกายสบายใจแกเราได้ เวทนานั้นก็เป็นสภาวะธรรมเขาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันเขาเกิดขึ้นเพื่อความตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นก็ดับไปเขาหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้แต่ขนาดใดเราทนอยู่ได้นิดหนึ่งนั่นแหละเราเรียกว่าสุขถ้าเรกวิปรินา ม, มาทุกเวทนาที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความทุกข์นั่นแหละเราสำคัญว่าเป็นสุขเราเปลี่ยนยาบทใหม่ๆสาคัญว่าเป็นสุข แต่ที่จริงยาบทใหม่นั้นปรเดี๋ยวก็ทุกข์อีกลนะถ้าเลกวิปริณา ม, มาทุกข์สุขที่เราเข้าใจเป็นสุขนั่นคือวิปรินามมาทุกข์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความทุขส่วนนิจาวิปราสนี่สําคัญว่าเที่ยงมันคงขาวรอ ย, อยู่ไม่มีการแตกดับไม่มีการสลายไปเนี่โดยมากก็สําคัญจิตเราเนี่ยเที่ยงพระจิตเป็นนา ม, มาทำเห็นอยากก็รู้ตั้งแต่เกิดมาเราชื่ออะไรพ่อแม่ชื่ออะไรเป็นใครเนี่ย เราก็จำได้เรื่อยมานถึงสําคัญว่าจิตอันเที่ยงส่วนสําคัญว่ารูปนามการห้าเป็นอัตตาตัวตนในอัตตาวิปัสเนาพอวิปัสนาปัญญาเกิดในวิปัาสทั้งสี่ประการเนี่ยถูกทําลายไปหมดเป็นเบื้องตน้นครับประโยชน์ที่สุดของวิปัสนาก็ทําให้หมดจดจากกิเลสทําให้แจ้งปณิพันธ์พ้นจากทุกข์ต่างปวงส่วนในประการที่สามว่าอารมณ์ของวิปัสนาได้แก่อะไร อารมณ์ของวิปัสนาที่เขาจะประกาศความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยต้องเป็นปรมัตธรรมเป็นนามเป็นรูปซึ่งเป็นของที่มีจริงเป็นจริงเขาเกิดขึ้นมาได้จากเหตุจากปัจจัยปรุงแต่งของตนเองเมื่อเรารู้รูปนามตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยขณะรู้รูปนามตามความเป็นจริงนั่นแหละกิเลสใดๆยิงอาศัยไม่ได้ถ้าเรารู้รูปรูนามรู้ด้วยปัญญาแ กิเลสใดๆก็าอาศัยไม่ได้เพราะพุทธองค์แสดงอารมณ์ของวิปัสนาเรียกว่าวิปัสนาภูมิหก็คือขันธ์ห้าขันธ์ห้าก็คือรูปประขันธ์หนึ่งนามขันธ์สี่รูปกับนามแยกขยายไปจากรูปจาก น, นามนันเองอายตนะสิบสองก็รูปอายตนะสิบมน า, ม า, นายตนะคือนามอยายตนะส่วนธรรมายตนะก็ทั้งรูปทั้งนามธาตุสิบแปด รูปธาตุสิบเขาเรียกโอลาริกรูปสิบสองภาษาธรูปห้ากับวิเยรูปเจ็ดเขามากระทบกันประชุมกันนี่เป็นรูปธาตุต่อรูปธาตุกระทบกันสิบสองรูปแต่ว่าเป็นอายตนะสิบอายตนาจากขวายตนาโสตายตนาคานายตนาจิวหายตนากายายตนาลูปายตนาสัทธายตนาคันธายตนารัษายตนา โพธพายตนาะในวิศสยารูปโฬาลิกรูปสิบสองได้อายรูปอายตนาสิบจิตทั้งหมดเป็นมานายตนานินามส่วนที่เหลือจากโลาลิกรูปก็คือสุขุมรูปสิบหกเจตสิกรวมถึงนิพานด้วยเป็นธรรมายตนาะส่วนอินทรีก็ได้กล่าวไปแล้วว่ามีรูปอินทรีแปดนามอินทรีแปด สัสจจคือทุกขสัสจจ์เนี่ยรูปนามที่เป็นไปในโลกโลกียะสัจจ์โลกียะ จ, จิตแปดสิเอ็ดเจตสิกห้าิบเอ็ดเว้นโลภะรูปยี่สิบแปดที่ยังเป็นไปในโลกในกามาภูมิในรูปภูมินั่นแหละนิโรธาสัสจจ์พระนิพพานเนี่ยเป็นนิโรธาสัสจจ์เป็นธรรมที่ดับทุกข์เป็นสงเคราะห์เป็นนา ม, มาธรรมมรรคสัสจจ์นี้เป็นเจตสิก ที่เป็นองค์มรรคแปดตัวนี่ก็เป็นนามนะแล้วก็รูป อ, อริยรสัจสี่นี่เรารู้รูปนามเท่านั้นแหละจิจของอริยสัจจะทําทั้งสี่ประการนี่เขาดําเนินไปพร้อมกันรู้ทุกนั่นแหละสมุทัยเกิดขึ้นไม่ได้สมุทัยเกิดขึ้นไม่ได้มากเท่าไหร่ก็ เ, เป็นปัจจัยให้แจ้งพระนิพพานมากเทัน้นแล้วก็ให้ตัวรู้ทุกนั่นแหละเป็นตัวมรรค นั ก, กิจของอริยสัจจะทำทั้งสี่ประการนี่เขาทาไปพร้อมกันขณะกําหนดรู้ทุกข์นั่นแหละลกสมุทัยด้วยทํานิโรธให้แจ้งด้วยจเจริญมรรคด้วยนี่ก็คือมีรูปนามปฏิจจสุบาทก็แสดงถึงเหตุปัจจัยของนามของรูปที่เป็นเหตุเป็นปันจจัยกันให้มีการเกิดขึ้นระดับไปอวิชชาเป็นปันจจัยแก่สังขารสังขารเป็นปันจจัยแกี่ยววิญญาณวิญญาณเป็นปันจจัยแก่นามรูปนามรูปเป็นปันจจัยแก่บสลายยตนา ทำที่เป็นเหตุเป็นผลกันอนะต่อเนื่องกันอย่างไม่ขาดสายในองค์สิบสองประการโดยย่อแล้วทั้งหมดนี้ก็ขยายมาจากนามจากรูปนั่นเองรูปนามนี่แหละเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาโดยตรงเพราะนั่นค่าใครมีอารมณ์อื่นที่นอกจากรูปจากนามแล้วนี่เราบอกไม่บอกได้ทันทีเลยว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติวิปัสสนาวิปัสสนานี่ยต้องมีนามมีรูปรับรองนามรูปคืออะไร นามรูปเป็นธรรมชาติที่เป็นความจริงที่เรียกว่าปรมัตธรรมหรืออริยสัจธรรมมีทุกขสัจจะเป็นต้นนามรูปของเราเนี่ยทั้งตัวเราเนี่ยขันธ์ห้าเนี่ยเป็นตุกถ้าแยกออกไปแล้วนามก็คือธรรมชาติรู้อารมณ์เห็นได้ได้ยินได้ได้กล่นรู้รส ถ, ถูกต้องสัมผัสคิดนึกอารมณ์ได้โดยปรมัตธรรมแล้วก็ได้เกิดจิตเจตสิกรูปนั้นเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ไม่ได้ และต้องแตกดับทำลายไปด้วยความร้อนความเย็นได้แก่รูปดินน้ำไฟลมเป็นต้นสีกลิ่นรสโอชานี่ก็เป็นรูปธรรมแล้วก็นามรูปมีอยู่ที่ไหนนามรูปก็มีอยู่ในอารมณ์หกที่จะให้จิตรู้ได้ทั่วไปในทั่วในไปในจักรวันโดยเฉพาะก็มีอยู่ที่ตัวเรานี้ด้วยนามรูปในอิริยาบถ ท, ที่เราใช้ในการเดินยืนนั่งนอนนี่เป็นประจำนี่ก็นามรูปนั่นแหละ เขาเป็นปัจจัยปรุงแต่งกันพระนามรูปนั่นเองส่วนนามรูปปรากฏที่ไหนเขาบอกว่าปรากฏขึ้นขณะรับอารมณ์ตามทวานทั้งหกเช่นยังไงเช่นเวลาเห็นทางตาสีคือรูปอารมณ์กับจกักขคู่ประสาทสีกับตาตานี่หมายถึงจกักขคู่ประสาทรูปเป็นรูปส่วนที่เห็นนั่นเป็นนามจากักขคู่วิญญาณจิตเห็น รอบเจตสิกที่ประกอบอีกเจ็ดอย่างนี้เป็นนามทางหูสัทธารูปเสียงกับประสาทหูเป็นรูปได้ยินเป็นนามทางจมูกกลิ่นกับคานาประสาทจมูกเป็นรูปรู้กลิ่นเป็นนามทางลิ้นรสเปลี่ยวหวานเผ็ดฝาดขมนี่เป็นรูปลิ้นประสาทคิวหาประสาทนี่เป็นรูปรู้รสเป็นนามทางกายโผฏฐัพพะอารมณ์ของรูปดินรูปไฟรูปลม สัมผัสถูกต้องทางกายให้รู้สึกแข็งอ่อนเย็นร้อนเก้งตึงเคลื่อนไหวนี่เป็นรูปกายยะประสาทนี่ก็เป็นรูป <ys> รู้สึกถูกต้องสัมผัสนั่นเป็นนามรู้สึกถูกต้องสัมผัสทางกายประสาทรู้สึกตรงไหนก็ในความรู้สึกนั่นเป็นนามเรียกว่ากายยะวิญญาณจิตทางใจก็เดินยืนนั่งนอนเป็นรูปรู้ว่าเดินรู้ว่ายืนรู้ว่านั่งรู้ว่านอนเป็นนามหรือทางใจคิดนึกฟุ้ง่วงสงบ เป็นนามรู้ว่าคิดนึกรู้ว่าง่วงรู้ว่าสงบนามนามไปรู้นามด้วยกันทางใจนี้ก็รู้ได้ทั้งรูปทั้งนามรู้ได้สองอย่างครับก็คงจะอวอสามจุดสี่ข้อนีก่อนนะแล้วเช้าเราจะมาต่อกันอีกนิดหนึ่งนาครนี้ตอนเช้านี่ตามเวลากำหนดการบอกว่าหนาฬิกาเราจะทำวัดเช้า แต่ตอนนี้ถ้าจะมาเร็วสักนิดหนึ่งเราก็จะได้มีเรื่องของวิปัสสนามาต่อท้ายได้ยาวออดหน่อยเนี่ยแล้วก็บางทีก็จะลองปฏิบัติดในการจับความรู้สึกกันดูบ้างหรือมีปัญหาอะไรที่ยังสงสัยก็สอบถามกันในตอนนี้นนเรามีการทำวัดเช้านิดหนึ่งท่านพระคุณเจ้าสมศักดิน์นำสวดมนต์ทำวัดเช้าได้ไหมตอนเช้ามีหนังสือนะฮะ ขึ้นต้นเท่านั้นแหละขอให้ขึ้นต้นเท่านั้นแหละแล้วพวกเราตามไปตามไ้ขอให้ขึ้นต้นนั่นแหละอ่าให้ท่านนำขึ้นต้นนิดอย่างน่อ่าโยโซโภะกาวาเดี๋ยวเขาก็พลบไปตามไะนะนะครับแล้วมีหนังสือหนังสือแจกนะฮะก็ตอนเช้านี้บนท่านท่านนำโดยนะครับเร็วเวขึ้นมาเนี่ยตีหนะ้าสี่สิบห้านาทีก็เลยมาพลาดไ ตี่สิบ้านาทีมาพร้อมกันนะอย่างงั้เดี๋ยวแต่ว่าก็ยังมืดอยู่นะฮะตีห้าสี่สิบห้านาทีก็ยังมืดอยู่แต่ว่าพระท่านทําวัดไปบิณฑบาตกันแล้วครั้งปนี้ก็หยุดพักนะครั้งแรกเท่าตีสี่ครั้งแรกพระทําวัดกันตีสี่นะอ้าวตีห้าจะเค้าอีกทีหนึ่งเราก็เตรียมตัวออกมาตีห้ามาพร้อมกันประมาณ ตีห้าสี่สิบห้านาทีนะทำธุรกิจส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วตีห้าสี่สิบห้านาทีก็มาพร้อมกันที่นี่นะครับเกือบเกือบโมงแล้วนะครับเอาละฮะวันนี้ก็ก็ขอยุติเพียงแค่นี้นะขอความเจริญปาสุขมีปัญญาจงบังเกิดแก่ทุกท่านโดยทั่วกันโดยเธอก็อเชิญไหว้พระและแสุข